ตอนกำรรชีเจตนาวันที่21สิงหาคม2559กาบนมรส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณในชีกันเลยมิตรทุกท่านก็ทุกคืนวันอาทิตย์นะวันนี้มีคำถามก็มีหลายๆใบเนาะมาจากหลายแห่งก็ามารวบรวมกัน ระเบิดอัตตาเพื่อเป็นสุญญาตานะถ้าใช้คำว่าเป็นมันเป็นสุญญาตาไม่ได้ไม่เรียกว่าสุญญาตาเป็นก็คืออัตตาเนาะหมายถึงระเบิดอัตตาในเรื่องใดเพื่อเป็นอรลาหันในเรื่องนั้นๆใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะไม่ใช่จัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีละเรื่องนะอัตตาของเราเนี่ย มันมีหลายหลายเรื่องในนั้นนะรวมเป็นอัตาเป็นคณะสัญญาไม่ใช่ไปแก้ทีละสัญญาทีละสัญญานะถ้าระเบิดอัตราได้ก็คือมันทำลายกล่องดำนั่นแหละนะไม่ใช่เรียนทีละเรื่องแล้วไปจัดการทีละเรื่องคำว่าอัตามันหลายหลายเรื่องรวมกันเราเกิดมาปุ๊บเป็นเบบี้เป็นเด็กทาโรเขาก็ตั้งชื่อเราเนี่ปุ๊บนี่เป็นหนึ่งสัญญานะ นี่พ่อนะนี่แม่นะนี่เก่งนะนี่ดีนะนี่ถูกนี่ผิดนะเอาละเข้ามาหลายหลายสัญญากลายเป็นคณะสัญญากลายเป็นอัตตาขึ้นมากั้นบังอนัตตาที่ที่เขาบอกว่าคณะสัญญากั้นบังอนัตตาอันนั้นคือตัวอัตตาถ้าเราเบิดตัวนั้นสิงเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าจิตมันก็ยังอยู่แต่มันทําลายอัตตาตัวตนที่ทําให้มันมีอีโก้ ก็คำว่าเข้าสู่สุญญาตาสุญญาตามันไม่ได้เป็นอะไรมันสุญญาตาคือว่างจากอัตตานะคือว่างจากอัตตาส่วนมากเราเรียนวิชาการเราเรียนเป็นเรื่องเรื่องจัดการทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยนะเราคิดแบบแยกส่วนนะคำว่าอัตตาเนี่ยมันไม่ได้แยกส่วนนะทีนี้เขาแยก เป็นกิเลสเป็นเป็นเป็นแยกเป็นเปซี่ใหญ่ๆก็คือโลภโกรธหลงนะอันนี้คือโลภโกรธหลงนะ เ, ออเราทําทานเนี่ยอาเรียบทที่เรากิริยาที่เราทําทานเนี่ยเพื่อเป็นการอุบายในการทําลายความโลภความตณีก็เป็นการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสยอย่างหนึ่งนะคือเราถูกสอนว่าถ้าชนะกดีถ้าได้มาเยอะๆดีถ้ารวยเลยถึงจะดี นะเออแล้วก็เกิดความโลภทีนี้อุณหภูมิของความโลภเนี่ยมันไม่เท่ากันโลภมากกัโบโลภน้อยนะบางคนก็โลภแต่โลภก็ไม่มากบางคนโลภมากจนถึงขั้นโกงก็เอาโกหกก็เอาฆ่าก็เอานะพี่บางคนเนี่ยโลภไม่ไม่มากมีแต่โกรธมากนะมันมันมันบ่มเพาะมาไม่เหมือนกันนะ ทีนี้ก็ถ้าถ้าเราเรียงตามลำดับนะหมายถึงว่าผู้เจ้าแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยก็คือทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสก็คือทานศีลภาวนานะั่นแหละเราต้องปฏิบัติ3ามอย่างนี้นหะมันจะละลายทั้งหมดเลยทั้งโลกโกรธหลงนะทาลายไปพร้อมกันอันนี้เป็นแค่กิเลสในชาติปัจจุบันนะ เป็นกิเลในชาติปัจจุบันแต่กรรมในอดีตมันก็ยังอยู่นะมันก็ยังอยู่นั่นแหละเราต้องร ะ, ระเบิดกล่องบันทึกสัญญาตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันด้วยเรื่องอดีตด้วยนะนะกว่าก่อนจะเข้าถึงสุญญาตาได้นะก็นิพพานกับสุญญาตาเหมือนกันไหมครับเอ่อต้องสุญญ า, าก่อน เราค่อยเรียกว่าสภาวธรรมที่เ ร, เราดับทุกได้แล้วเนี่ยเขาสมมุติชื่อเรียกว่านิพานนิพานไม่ใช่แดนไม่ใช่เมืองนะนิพานนี่หลายปีก่อนเมืองไทยเราทะเลาะ ก, กันสองค่ายค่ายหนึ่งบอกนิพานเป็นอัตตาค่ายหนึ่งบอกเป็นอนัตตาถ้ามันยังเป็นอยู่นะเรียกว่านิพานไม่ได้นะเป็นก็คืออัตตานี่ยแหละ นะอัตาเด็กๆอยู่ที่นี่นะแปลว่าอะไรเขามีตัวตนนะอนัตตาคือเขาแปลว่าไม่มีตัวตนจริงๆแล้วพวกคูไม่ได้แปลอย่างนั้นพ่อ ก, กูเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันมีพวกเรานั่งอยู่ที่นี่เรามีหมดแต่มันเป็นสิ่งชั่วคราวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็มันดับไปถ้ามันไม่มีตัวตนน่ะใครจะเป็นคนเกิดขึ้นใครจะตั้งอยู่ใครจะดับไปนะถึงว่าภาษาเนี่ยพอเปลงออมาปุ๊บเนี่ยมัน มันง่ายที่จะเข้าใจผิดกันพระพุทธองค์ถึงล็อกไว้เลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราถ้าท่านพูดโดยภาษานะบางทีปัญญาเราไม่ถึงเราจะเข้าใจภาษานั้นผิดเราก็ไปทําผิดนะพระองค์ล็อกไว้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ปฏิเสธภาษาเพราะครูก็ใช้ภาษาสื่อกับเราแต่สี่สิบปีวิ่งไปตามโลกพวกครูใช้ภาษาเพื่อจะชนะเพื่อจะเอาเปรียบเราเอาเปรียบคู่ต่อสู้ แต่ยี่สเจ็ดปีพ่อครูก็ใช้ภาษาเพื่อให้ภาษาเปล่งมาเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะภูมิปัญญาเราไม่เท่ากันพระพุทธองค์ถึงบอกอย่าพึ่งเชื่อฟังหูไปหูเห็นไหมพระองค์ล็อกไปหมดเลยอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมาเห็นไหมตํารามันในรูปของภาษาภาษามันไม่ละเอียดพอพูดมาปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันอย่างนี้เราก็อ่านพูดเราก็บรรลุทํากันไปหมดใช่ไหม เดียนกฎหมายมาสํานักเดียวกันจบปริญาเอกทางด้านกฎหมายออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบอกแวงกันกฎหมายฉบับเดียวกันเหตีความไม่เหมือนกันเห็นไหมตีความเข้าข้างทิฏฐิมนะของตัวเองนะถึงว่าอย่าเพิ่งเชื่อนิพานเรียกว่าสภาวะก็ไม่ได้ถ้าสภาวะปุ๊บมันก็ยังมีสภาวะอยู่พวกครูยกตัวอย่างให้มันใกล้เคียงที่สุดเพราะเราจบปริญาเอกเนี่ยเขาให้คํานําหน้าเราคือดร ด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกับตัวเราด็อกเตอร์คือมาตรวัดความรู้ของเรานิพานนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นตัววัดว่าจิตซึ่งเข้าสู่อยู่สุญญตาดับทุกได้แล้วนั่นเขาสมมุติเรียกว่านั่นคือนิพานนิพานจึงไม่ใช่ทั้งอัตตาแล้วก็อนนตตามันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนิพานยังไม่ใช่นิพานเลยมันจะเป็นอะไร จริงๆแล้วมันไม่มีชื่อเรียกแต่เราถ้าเราไม่สมมุติชื่อเรียกนี่เราก็บันทึกเป็นปริยัติไม่ได้ผู้เจ้าท่าบอกอย่าเพิ่งเชื่อตำรางไงพอบันทึกปุ๊บก็มานั่งเถียงกันคนนึงบอกนิพพานเป็นอัตา ต, ตาณตานะสภาวะสุญญาตาคือเป็นสภาวะที่ที่เราระเบิดปุ๊บเวลานั้นเขาเรียกว่าตรงนั้นน่ะเรียกว่าสุญญาตาแต่โดยองค์รวมของมันก็คือเขาบอกว่าคือเข้าสู่นิพพานนะ ขอความหมายกายในกายเวทนาในเวทนาใจในใจจิตในจิตธรรมในธรรมจริงๆแล้วมันไม่มีใจในใจนะใจใจนี้ก็เป็นของกายอย่างหนึ่งนะตาหูจมูกดินกายใจใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะได้ยินเสียงที่หูก็ไปลงที่ใจตามองเหตนก็ไปลงที่ใจลิ้มรสก็ไปลงที่ใจใจมันเป็น มันเป็นตัวควบคุมของร่างกายทั้งหมดมันเป็นมันเป็นศูนย์กลางของกายนะสติปัฏฐานสีเนี่ยมสี่อย่างกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะใจในใจไม่มีกายในกายอย่างเ็าพิจารณาเนี่ยสมว่าเราไปบวชตอนนี้เนี่ยเราไปบวชนะ อ, อ, อุปชาจะบอกให้เราพิจารณานะ ขนผมเล็บหนังฟันอันนี้พี่นากายข้างนอกเริ่มจากกายข้างนอกที่เราสัมผัสมันได้นะนะเอานั่งหลับตาก็โอเคผมมาจากไหนเห็นไหมเออมันยาวขึ้นตัดแล้วมันก็ตัดสั้นแล้วมันก็ยาวอีกเออแล้วดูคนแก่ปุ๊บมันเปลี่ยนสีแค่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเฉยๆนะแล้วกายข้างนอกเนี่ เราพิจารณาคือว่าโอเคขวาหนอซ้ายหนอเอาอาริยบทการเคลื่อนไหวของกายมาเป็นการเจริญสติก็เป็นฐานแห่งการเจริญสตินะเอาลมหายใจนะลมหายใจเข้าก็ออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้อันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นอานาปณสติอาณาเนี่ยคืออากาศเราเอาอากาศเนี่ยนะมนเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติ นะสั้นก็รู้ยาวก็รู้เหมือนเหมือนเหมือนใช้อุบายให้จิตเรามีหน้าที่เพื่อจดจ่อกับมันเพื่อเราไม่คิดเวลานั้นเราว่างจากความคิดเราวางความคิดได้มันยังคิดอยู่แต่เราไม่คิดตามมันนะเราว่างจากความคิดแล้วก็เกิดความสงบชั่วครู่อันนี้เรียกว่าสัมมาถากรรมฐานนะทีนี้ลมหายใจนี่คืออาณาคืออากาศเราตัวนั้นเป็นอุบายเริ่มต้น ทำไปทำมาถ้าสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเกิดหมุนมันจะเกิดหมุนโดยธรรมชาติของมันนะถ้าคนจีนเขาฝึกชี้งงฝึกลมปานหรือว่าฝึกไทเก็กนะทุกอย่างเนี่ยฝึกเพื่อรวมสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นเมื่อมันนิ่งดีแล้วมันจะเกิดอาการหมุนพอมันหมุนปุ๊บนี่แหละคือปานะอาณาปานะสติปานมันเกิดขึ้นแล้ว เหนะมือนรถยนต์ต้องต้องต้องสตาร์ทเครื่องหรือเข็นมันให้มันติดเครื่องนะไม่เกิดอาการหมุนแล้วเนี่ยแสดงว่าอาณาปานาสติครบองค์แต่ถ้าเราอยู่แค่นั้นเราก็ได้เจริญอนุสติคือสติเล็กๆ เ, เป็นเทคนิคเราใช้ฐานลมปานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติจิตมันมีที่เกาะนะอันนี้คืออาณาปรสนะแล้วก็เกาะอริยบทขวานอายหนอ อันนี้เขาเรียกว่าอลิยญาบของร่างกายอันนี้ก็เป็นอลิยบทหมุนไงมันเป็นลมปาณ น, นี่คืออาณาประเทีมันเป็นอนุสติเป็นสติเล็กอยู่ในหนึ่งใน40กองกรรมฐานสมถกรรมฐานแต่เขาสามารถพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานได้นะเหมือนรถยนต์เราติดเครื่องแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็เปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้เราใส่เกียร์ปุ๊บมันดับเลยเพราะพลังเครื่องมันไม่พอ เราต้องเร่งเครื่องเหยียบคันเร่งนะเหียบเหยียบคันเร่งปุ๊บเร่งสปีดไปอันนั้นแหะคือเร่งสติหมุนกลงล้อก็าทำมาจากพัฒนาจากสมถะกรรมฐานให้กลายเป็นวิปัสนาต้องเข้าไปในจิตในจิตนะก็เข้าไปในจิตในจิตเนี่ยที่ว่ากายในกายเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มจากข้างนอกก่อนลมหายใจจริงๆแล้วลมหายใจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายมันของภายนอก แต่เป็นสิ่งที่ชีวิตเราต้องพึ่งมันมันเป็นเพื่อนสนิทเราที่สุดพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดถึงเรื่องต้องแสวงหาลมหายใจพระองค์บอกเราทุกคนต้องมีปัจจัยสี่นะเราต้องแสวงหาปัจจัยสี่ถ้าเรามีปัจจัยสี่เราก็อยู่ได้ตามอัตภาพมีปัจจัยสี่สมบูรณ์ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนก็ก็มีความสุขได้นะพระองค์ไม่ได้พูดถึงอากาศลมหายใจเพราะว่ามันไม่ต้องหามันมีอยู่แล้ว แต่ยุคนี้มนุษย์พัฒนาโลกจนกลายเป็นว่าเราเราการเจะสหาซื้อออกซิเจนละ่ะมึงใหญ่ๆมันไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วนี่คือฝีมือมนุษย์สร้างกำนะนะแต่ทีนี้อาณาพรนสติเขาก็เอาลมหายใจนี่แหละอ่าลมหายใจมันอยู่ข้างนอกกายนะแล้วก็หายใจเข้าไปเขาอาศัยอุบายลมหายใจมันเข้าไปข้างในได้เห็นไหมให้จิตเราจดจ่อกับมันนะ จากกระทบที่ภัสาที่พงจมูกเนี่ยเลาเข้าไปเข้าไปในปอดหรือว่าเข้าไปในไปเข้าไปข้างในแต่ถ้าเราดมกลิ่นเนี่ยมันต้องลงมาในใจเราได้กลิ่นเนี่ยเราได้กลิ่นเนี่ยใช่ไหมจมูกมันได้กลิน่นจริงๆแล้วอาณาปณนสติหรือว่าเราเรียกพุโทโธธรมโมสังโฆตั้งชื่ออะไรก็ช่างมันก็คืออายตนะคือกลิ่นนั่นแหละนะ ไม่มีแม้ดแต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับอายตนะส่วนเราจะฉีกตั้งทฤษฎีย่อยลงไปเหมือนเราสอนเด็กๆต้องเอาทีละขั้นก่อนนะเออแล้วก็ตั้งชื่อเรียกว่าพุทโธนะเพราะในในพระไตรปิฎกเองใน40กองกรรมฐานก็ไม่มีคําว่าพุทโธมีคําว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอันนั้นน่ะไม่ใช่ตามลมหายใจพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสิต นึกนึกถึงคําสอนพุทธเจ้านะสังฆาธิสิทธิ์นึกถึงสาวกของพุทธเจ้าคือแล้ลึกถึงนะเพื่อให้เราเกิดศรัทธาแต่ตอนนี้เราใช้คําว่าพุทธโธเพื่อให้มาตามลมหายใจเพื่อให้มันจําแม่นมีที่เกาะมันไม่ได้ผิดมันเป็นอุบายวิธีอย่าไปนั่งเถียงกันวิธีนั้นวิธีมันก็เป็นแค่วิธีเป็นแค่อุบายทั้งนั้นแหละเราจะทําอะไรเราก็ทําไปนะแต่ถ้าเราหลงอุบายเมื่อไหร่เราจะเข้าใจคําว่าพุทธโธนี่มันขัง มันศักดิ์สิทธิ์นะทําอย่างอื่นไม่ใช่นะแล้วไปว่าเขาปุ๊บเนี่ยเราสร้างกรรมแล้วเราสร้างวัจีกรรมแล้วนะมันก็เป็นแค่เทคนิคอย่างหนึ่งนะ ก, ก็ให้เข้าใจนะว่าเนี่ยคาว่ากายในกายเราเริ่มจากกายข้างนอกก่อนแม้กระทังเริ่มลมหายใจไม่ใช่กายด้วยนะมันเป็นสิ่งที่เราพึ่งมันเราอาศัยมันเป็นเครื่องมือให้เราเข้าไปในกายถ้าพระคูจะเรียงลาดับนะเมืองไทยมีไม่กี่ชนิดหรอกนะ เอออาณาประเด็นสติหรือพุโทโธเลยเนี่ยก็ลมหายใจเอาสิ่งที่นอกกายไม่ใช่กายเราด้วยนะนะมากระทบกายข้างนอกคือผัสสะที่จมูกเนี่ยนะเมื่อวิญญาณที่จมูกมันรับรู้ปุ๊บเนี่ยผัสสะเกิดขึ้นถ้าจบแค่นั้นเราก็สักแต่ว่ารู้แต่ถ้าเราซื้อเข้าไปไปรู้ที่ใจไปชนกับไอ้สัญญาที่เราเราบันทึกว่ากลิ่นแบบนี้เขาเรียกว่าหอมกลิ่นแบบนี้เรียกว่าเหม็นตอนนั้นเป็นเรื่องละ นะหลายปีก่อนนะเกือบสิบกว่า ป, ปีเนี่ยแหละพ่อครูก็ไปที่เมืองเนี่ยนะนะกับญาติธรรมสามสี่คนนั่งไปไปผ่านลงต้มเล่าที่พิบู์มันอยู่ข้างทางบดีไงสามคนนั้นพูดพร้อมกันเหม็นพกก่อครูบอกจะมูกหาเรื่องเอาได้ยังไงมันหายใจก็เหม็นไงทาซามันรู้จากคาว่าเห ม, ม็นไหมมันไม่รู้ เราบอกว่าเหม็นมันไม่ดีฉันไม่ชอบไงแล้วก็บอกว่าเหม็นเพราะครูไม่ได้กินเลยถ้าเราไม่ไบืเสพมันเราไม่ได้กินอาหารเหมือนกันสักแต่ว่ากินอยากรู้ไหมรู้แต่รู้ไปทําไมละ่ะนะเราสแสวงหาตลอดเราพยายามหาความหมายไม่ตลอดเรถึงทุกไงเนี่ยสามคนพูดพร้อมกันว่าเหม็นเพราะว่าเพราะคูบอกจมูกหาเรื่องมีหน้าที่หายใจก็หายใจสิไปดมมันทําไม เอาละลมหายใจเนี่ยพุทโธนี่เบื้องต้นนะที่นี่มาเขาก็เอาร่างกายเคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่าอริยบทบาทเอาอริยบทการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสตินะอันนี้ก็ได้นะทีนี้ก้าวขึ้นมาเพื่อจะพเข้าไปข้างในนะเขาเรียกว่ากายคตาสตินะไม่ใช่อสุภกรรมฐานนะ อสุภะอีกอย่างหนึ่งอันนั้นไปเพ่งไปเพ่งหลุมศพนะศพมีกี่ท่า อ, อ, อสุภะนะอสุภะสิบนั่นคือพิจารณาอสุภะเพื่อให้มันเกิดสังเวชเกิดเวทนาเราจะผ่านจากกายนะ่ยนะทีนี้ถ้ากายในกายเนี่ยเขาฝึกกายคตสติแบบเอ่อที่แก้วก็เคยไปที่เชียงใหม่ก็ไปลองทำดูนะเขาให้ยืนเขาก็จินตนาการไปที่หัวแม่โป้งนะ แล้วก็ไล่มาไล่มาไล่มาไล่มาจินตนาการว่าเออหลังจากเราฉีกหนังออกไปนะเห็นแต่เลือดแต่หนองนะเราเห็นเอ็นเห็นอะไรเห็นตับไตไส้พุงไม่ได้เห็นจริงๆนะจินดนาการเอาบางทีอาเจียนออกมาเลยนะมันเกิดสังเวชนั่นแหละเข้าไปข้างในกายในกายแล้วจะเข้าไปสู่ฐานเวทนาในเวทนาบางคนอ้วกแตกอ้วกแตนนะ โอ้จินอะไรไม่ได้หลายวันไม่ต้องแต่งชุดสวยไม่ถําสวยเลยแต่อาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็สวยๆเหมือนเก่าแล้วก็แสบๆเหมือนเก่ามันเป็นแค่การจินตนาการแล้วบางบางสายเขาก็นั่งสมาธิทับตัวเองวันหนึ่งสิบกี่ชั่วโมงเพื่อให้มันเกิดเวทนานะแล้วก็เอาเวทนานั้นนะ่ะมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติหนึ่งฝึกขันติ และหลายคนขันแตกก่อนนะเพราะทนความเจ็บปวดไม่ได้ซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงปฏิบัติมาก่อนแล้วทุกขลักกิริยาทรมานสังขารมันไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ความเพียรชอบแต่พระกูเรียงลำดับให้ฟังนะเออเวทนาแล้วเออยอนรับมันแหละนะเธอเจ็บฉันก็รู้ว่าเจ็บอันนี้เขาตอกย้านะเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจบเจ็บเจบเจบเจบนะ คือคือคือฝึกขันตินี่คือเวทนาในเวทนาทีนี้พอเราอยู่กับมนนานานๆปุ๊บเราจะรู้ว่าโอ้สาเหตุที่มันเจ็บเพราะอะไรเห็นไหมเราเห็นเวทนาในเวทนาเห็นที่มาของมันเห็นที่มาของมันอันนี้คือเป็นระดับชั้นแล้วตอนนี้มีบางคนก็ไปนั่งดูจิตเพราะว่าคำที่นี่ก็มีถามอยู่นะเมื่อกี้พอคูเปิดแวบๆบแบบอยู่นะจิตในจิตนะหลวงปู่ดูลเองเนี่ย พราะกูชอบภาษาท่านที่ท่านเป่งออกมาเป็นเรื่องจิตล้วนๆแต่ภาษายังไงก็ช่างมันก็หยาบท่านก็เป็นคนบอกว่าจิตเห็นจิตคือมรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธพราะกูได้ยินครั้งแรกกูก็โอเคเข้าใจแต่คำว่าจิตเห็นจิตเนี่ยความเคยชินแล้วว่าเห็นคือต้องไปมองมันต้องไปเพ่งดูมันนะถามว่าเอาใครไปดูจิตเราคือใครเห็นไหม ก็ไปดูจิตนะดูจิตไม่ต่างอะไรที่ไปดูกายดูเวทนาก็ไปดูจิตมันก็เป็นการเจริญสติมันก็เป็นขั้นตอนในเจริญสติบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตแล้วก็ไปนั่งดูมันเพ่งมันแล้วก็เห็นเงาของมันเห็นอารมณ์หยาบๆของมันเป็นแค่เวทนาพอเราไปส่องหน้าต่างดูข้างในมันยังเปื้อนเหมือนเก่านะแต่เราเพ่งอยู่นั้นคล้ายๆว่าเราจดจอ มีสมาธิจดจ่อเหมือนเรามีหน้าที่ยึดตัวนั้นเพื่อระาวาังความคิดมันก็เป็นอุบายวิธีที่ทาให้เราเกิดความสงบนะแต่พอเลิกเลิกเพ่งปุ๊บความไม่สงบ ก, ก็เกิดขึ้นอีกเพราะไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่คำว่าจิตในจิตต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตเห็นในทีน่นี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อต้องเข้าไปสัมผัสมัน เนี่ยภาษาบอกจิตเห็นจิตปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปดูจิตก็เป็นอุบายนะเออให้เราให้ให้เราดูอารมณ์เราอารมณ์นี้เป็นแค่เวทนามันไม่ใช่อารมณ์ของจิตจริงๆอารมณ์ของจิตจริงๆมันต้องเข้าไปในจิตในจิตเราจะเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมนั่นคือธรรมมะลมมันเป็นเวลามันเป็นเวทนาเกิดในอดีตชาตินะที่มันบันทึกไว้ในจิตใต้สันนึกเราเรียกว่าธรรมในธรรมธรรมมะลม อารมณ์ที่มันอารมณ์ซึ่งมันมันถูกบันทึกไว้เป็นสัญญาเนี่ยในจิตใต้สานึกเราเรียกว่าธรรมในธรรมหลายคนก็เข้าไปได้แล้วก็ดำเนินไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเห็นอารมณ์ดีใจเสียใจเหมือนเรานอนเมื่อเช้าเนี่ยเออท่ายืนเนินนั่งนอนเฉยๆเมื่อยเมื่อยมันเมื่อยจริงเหรอมันเมื่อยตอนที่พอนอนใช่ไหม เราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยมันเมื่อยได้ยังไงอันนี้เป็นธรรมอารม์มันเป็นสิ่งที่บันทึกไว้เวลาเราทำงานเราเมื่ อ, อยอนะเราเมื่อยแต่ว่าเราไม่ยอมหยุดเพราะว่าเราอยากได้แล้วก็อดทนมันก็บันทึกว่าเราเมื่อยตรงนั้นมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนเรานั่งเฉยๆหาวนอนหาวนอนไม่ใช่เวลานอนเลยเนี่ยเราง่วงจริงเหรอพอไปนอนจริงๆก็นอนไม่หลั อันนี้เรียกว่าธรรมอารมณ์มันเป็นเวทนาในอดีต ท, ที่เราบันทึกไว้เป็นสัญญาอยู่ในนั้นนะเราก็เรียนรู้กับอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ง่วงเราก็รู้รู้เฉยๆรู้ไปเรืร่อยๆเฉยๆเดี๋ยวมันจะรู้ธรรมในธรรมมันจะรู้ที่มาที่ไปของมันเองโดยไม่ต้องแสวงหาโดยไม่ต้องไปตั้งโจทย์ถามว่ามันคืออะไรนะอันนี้คือลักษณะสติ ปฐานสี่นะถ้าแบ่งเป็นเป็นขั้นเนี่ยกายในกายเวทนาในะจิตในจิตธรรมในธรรมอันนี้เรียกว่าสติปฐานสี่แต่ถ้าเราอยู่ในฐานกายหรือฐานใดไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยเป็นอนุสติตอนนั้นเป็นฝึกอนุสติสติเล็กๆนะแต่ถ้าเราพัฒนาจนสี่ฐานเนี่ยเข้าไปถึงฐานที่สได้เนี่ยนะครูบาอาจารย์เราร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เข้าไปในจิตในจิตท่านเสพธรรมในธรรมแต่ ท่านไม่ได้แสดงออกทางกายภาพท่านั้นเองนะมันเป็นระดับตรงนั้นยุคนี้ทำได้ง่ายไหมไม่ได้เราจะทำก็ได้ส่วนเราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องตัดชีวิตเราไปอยู่ในป่าหลีกเลี่ยงการกระทบนะหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ฝึกไปนะสร้างบา ร, รมีทีละขั้นจนมันเข้าไปตรงนั้นนะแต่มหาสติปัฏฐานจริงๆจากสติปัฏฐานสี่เนี่ย พัฒนาไปสู่มหาสติปฐานเราต้องรวมสติฐานทั้งสี่นี่เป็นหนึ่งเดียวในขนาดจิตเดียวนะซึ่งพระองค์พระพุทธ อ, องค์ตัดในอาณาปณสติสูตรนี้พระครูชอบพูดบ่อยๆเพราะมันอยู่ที่นี่หมดแต่เราไม่ใช่ไปเริ่มต้นจากเออเออเอออยู่กับลมหายใจแค่หนึ่งนาทีแต่เราชำนาญแล้วไม่ต้องไงเรก็เข้าไปในจิตเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปทานทั้งสให้บริบูรณ์คือกายเวทนาจิตต์บบริบูรณ์คือเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวแล้วก็สติปทานทั้ง4อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจให้บริบูรณ์ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เนี่ยเราไม่มีวันจะเสพอารมณ์โพชฌงนั้นโพชฌงนั้นน่ะเป็นบรารมีเดิมที่เราฝึกมาหลายแสนกับหลายล้านชาติ นะเป็นสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปัสสติสัมโพชงเนะี่ยเรารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะภาษาเหล่านี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะาานรนรนะธรรมดาไม่ต้องรู้ดีกว่าแต่เมื่อมีคำถามแล้วพ่อ ก, กูก็ชี้ให้ดูนะถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะติดบ่วงความรู้พอเราเข้าไปในจิตปุ๊บมันจะมีผู้แอบดูเพราะมันอยากรู้มันจะไม่รวมเป็นหนึ่ง เอ๊ะอาการอย่างนี้มันมาจากไหนอะไรปุ๊บเนี่ยมันไม่มีพลังนะทุกวันนี้บอกมีความรู้ก็เยอะ ก, ก็ก็ดีนะดีความรู้เป็นกลางๆแต่ถ้าไปหลงความรู้เมื่อไหร่มันเป็นอัตตามันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตนะพ่อครูก็พูดประสบการณ์ที่พระครูผ่านมา4ี่สิปีวิ่งไปตามโลกพรอครูสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรพระครูทำหมด เพราะกูไม่มีสินแบบนั้นแต่นิสัยพ่อครูไม่มีเจตนาที่จะเอาเปรียบใครเราเป็นพ่อค้าเราโกหกเขาเรื่องอะไรจะบอกความจริงแต่เราไม่มีเจตนาจะโกหกเพื่อจะหลอกลวงเขามันกลายเป็นเหมือนเทคนิคกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่มีสินะแต่สามชั่วโมงนั้นเน่ยเนื่องจากพ่อครูไม่รู้ภาษาวิชาการเหล่านี้เนี่ยพ่อครูจึงเห็นมันชัดเลย มันเกิดอะไรขึ้นเห็ น, หนไม่รู้ภาษาด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรคำว่าอายตนาภายนอกอยานาภายในวิญญาหกภาษาหกอะไรไม่รู้แต่ถ้ารู้เนี่ยเป็นเรื่องเลยมันจะวิจัยไปด้วยไอย้ถูกหรือเปล่าวะผิดหรือเปล่าวะมันมีผู้แอบดูอยู่มันไม่เป็นหนึ่งเดียวสัมมาทกรรมฐานนี่สูงสุดฌานสี่เอกคตาลมต้องมีอารมณ์เดียวคือสงบนิ่ง กายเวชนาเป็นหนึ่งเดียวมันจึงจะพัฒนาไปสู่วิปัสนาได้แต่ถ้าทำอยู่ด้วยไปแอบดูด้วยไปวิจัยด้วยมีการกระทาสั่งการเพื่อจะรู้ว่าเออไอเส้นนี้มันเป็นยังไงเส้นนี้เป็นยังไงเมื่อไหร่เนี่ยนะเราก็ได้วิชาหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่วิชาพ้นทุกมันเป็นอภินยาอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่อสวกขยะาย่านแม้กระทั่งการละลึกชาต มันเป็นบุเพนิวาสานุสติยานมันก็เป็นหนึ่งในอภิญญาแปดเจ็ข้อข้างบนเนี่ยหูทิพตาทิอะไรก็ช่างมันเป็นโลกียาอภิญญามันไม่ใช่ทางผลทุกทางพ้นทุกคืออาสะวะัคยายานสถานเดียวนะญาณรู้ว่าด้วยการกําจัดอาสะวะักิเลสเพราะมันคือต้นเหตุของการเกิดตัณหาต้นเหตุของการสร้างกรรมนะก็คือมรรคมีองแปดเหล่าเนี้แหละมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะ ถ้าเราอ้างพูเจ้าเจ้านะอย่ามัวจะไปท่องจำสิ่งที่พระองค์พูดทำตามที่พระองค์ทำเห็นไระวังได้ไหมระวังครอบครัวได้ไหมระวังมหาป า, า, าะสานราชมวลเทียนได้ไหมเห็นมแล้วพระองค์ก็ออกไปแสวงหาโมกกระทาไม่ใส่รองเท้าเหยียบหนาเหยียบอะไรพระองค์ก็มีขันติเห็นไหย พระ อ, องค์ไม่มีพระใจบิดกอ่านพระ อ, องค์ไม่มีความรู้เหล่านั้นก่อนหน้านี้พระ อ, องค์ไม่รู้หรอกสินห้าสินแปดสินสินมันคืออะไรเห็นไหมทุกอย่างเกิดจากพระ อ, องค์ปฏิบัติลองถูกลองผิดก่อนอยู่หพรรษาเมื่อตัดสินวุธรรมเข้าสู่ปฏิเวชนะก็พระ อ, องค์ก็เอาสิ่งที่พระลุพระ อ, องค์รู้พระ อ, องค์อองเห็นเนี่ยมาบอกกล่าวเท่าที่บอกได้ แต่ถ้าเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าอธิบายนะพอพูดปุ๊บมันหยาบแล้วะพระ อ, องค์บอกเกา่าพระ อ, อนุก็โจดโจดจดจดจ ด, จ ด, จดมีใครบ้างที่มีความรู้เท่ากับพระ อ, อนตนบอกพระครูหน่อยไกลให้ไหนพระครูก็จะไปหาเขาไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยตีความทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้พระ อ, อนุนเนี่ยรับจากพระโอ๋จริงๆเลยละ่ะ ผู้เจ้าแสดงอะไรได้ยินหมดบันทึกแล้วก็ได้สัมผัสวัดปฏิบัติของผู้เจ้าด้วยและทําไมพระอ น, นุนไม่บรรลุธรรมก็เมื่อจะรู้ไงแต่ว่าบารมีอ น, นิสงส์ที่อุปถาผู้เจ้าก็เกิดบารมีระดับหนึ่งเห็นไ้มเออพรุ่งนี้จะต้องไปประธานประธานอริยสงฆ์ประชุมถ้าไม่ไม่ใช่พระอรหรันเขาไม่ให้เข้าประชุม มุ่งมันม่นบำเพ็ญเพียรถึงสว่างก็ไม่บรรลุธรรมไงเพราะติดความรู้พอนอนพักบรรลุกลางอากาศเรียกว่าสูตรไหนสูตรผ้านนบนรรลุเพราะอะไรเพราะรู้มากใช่ไหมไม่ใช่เพราะวางถ้าจะเรียนรู้เราก็เปิดจิตกว้กวางให้เรียนรู้กว้กวางมองกว้างอย่าไปติดที่มุมใดมุมหนึ่ง ทีนี้มันเป็นอุบายวิธีนะมันเป็นอุบายวิธีแล้วก็มันมีจริตไม่เหมือนกันนะก็ชอบแบบไห น, นก็มุ่งมั่นทำไปนี่แหละถ้าเราจะอ้างพระเจ้าเราต้องถวายชีวิตกล้าทำในสิ่งที่พระองค์ทำไม่ใช่ไปท่องจำสิ่งที่พระองค์พูดพระไตรปิฎกชุดนี้ ที่เมืองไทยถือว่าเป็นชุดเก่าร้อยเล่มวันดีคืนดีมีคนกลุ่มหนึ่งผู้รู้กลุ่มหนึ่งเนี่ยมาสังคานาเหลืออยู่สี่สิบห้าเล่มถ้าเราบอกว่าพระไตรปิฎก ค, คือคำสั่งสอนพุทธเจ้าพอ ก, กูก็อยากจะถามเหมือนกันว่าพวกท่านเป็นใครบังอาจไปเปลี่ยนคำสอนพุทธเจ้าพระไตรปิฎก เป็นหนังสือชุดหนึ่งซึ่งบันทึกพุทธประวัติและพูดถึงธรรมนะธรรมะที่พระองค์แสดงแต่บางอย่างเนี่ยพูดด้วยภาษาไม่ได้นะแต่พระองค์ใช้หลักภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตนะก็ความหมายของสติปัฏฐานสี่ก็เข้าๆเนาะ กนมีหลายข้อเหลือเกินเราแผ่เมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยถามแล้วเรากินเนื้อสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราถือว่าเป็นการเบียดเบียนหรือมีส่วนร่วมในการเบียดเบียนไหมครับตอบสั้นๆนะคำชี้เจตนา พระในสายเซนโดยเฉพาะวัดเส้าหลินเนี่ยเขาอยู่ในป่านะมีโจรผู้ล้ายเยอะแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บโรคป่าเนี่ยเขาต้องฝึกวิทยายุทธแล้วมันไม่มีชุมชนที่เขาจะไปบินทบาตเขาก็ต้องปลูกเขาเองเพราะเขาขุดดินขึ้นมาไอ้สั้นเดือนมันถูกสาดไปดินดินดิ น, ดนเขาก็ทุบๆๆให้มันตายไวๆเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ ม, มีเจตนาอย่างหลายปีก่อนมีหลวงตารูปหนึ่งเนี่ยอายุเก้าสิบกว่าแล้วบวชมาตลอดชีวิตแล้วจะเดินทางไปลาวมาแวะพักที่นี่พอ ก, กูก็แลกเปลี่ยนกับท่านออหลวงตาวันนั้นก็วันอาทิตย์เนี่ยท่านก็นั่งฟังพอ ก, กูเทศท่านบอกว่าเกือบตายเปล่าเพิ่งมารู้จากคำว่าศีลที่นี่พอ ก, กูถามว่าหลวงตาเนี่ยเข้ามายังไงหลวงตาเหาะมาหมบอกไม่ อาตมานั่งรถมาถึงถนนใหญ่อาตมาเดินเข้ามานั่นแหละรถหลวงตานี่เหยียบมดหลายตั้งหลายตัวเลยและหลวงตาเดินมาเนี่ยอาจจะเหยียบสัตว์ตายเนี่ยแต่หลวงตาไม่รู้น่หลวงตาไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างอยู่ที่เจตนาและที่นี่ถ้าเราพูดถึงว่ามันอยู่ที่เจตนานะก็หลายปีก่อนอาจารย์มหากาหระพาฤาษีตนหนึ่งก็มาที่นี่ เถียงกันทุกทั้งวันว่าเป็นลือศีดีกว่าอิสระไม่ต้องมีศีลวินัยบังคับเยอะอาบน้ําก็ได้มาอาบน้ําก็ไม่เป็ไรไม่ต้องเปืองน้ําเป็นพระวุ่นวายวินัยเยอะแยะเลยเถียงกันว่าคนนี้บอกเป็นพระดีคนนี้บอกเป็นลือศีดีก็มาถามพ่อครูพ่อครูว่าเป็นอะไรดีพรอครูว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเหวี่ยงทิ้งเราเป็นสมมุติว่านี่เราเรียกว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระอันนี้เราเป็นลือศีนะ เป็นก็สักแต่ว่าเป็นอย่าไปหลงความเป็นเราหลงเราถึนเถียงกันนะว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นบอกเป็นอะไรก็ไม่ดีเราเป็นมาแล้วเนี่ยตั้งหลายชาติแล้วเรายิ่งใหญ่มามากแล้วเราถึงได้มาเกิดอีกงไงเราปฏิบัติเพื่อเราจะไม่เป็นอะไรนะทีนี้ท่านฤาษีก็ถามพระครูว่าพระครูกินเจไหมบอกไม่พระกิ๊กพระครูกินมังสวิรัติไม่บอกไม่ พ, พมระครูกินเนื้อสัตว์ไหมบอกไม่ พราะพระครูกินอะไรกินอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วเรื่องนี้สมัยพุทธกาลเนี่ยพระเทวทัตก็เคยคืออยากจะแกล้งพระ อ, องค์นั่นแหละอาจจะแยกกลุ่มนะพราะครูจำไม่ได้ว่าขออะไรสี่ข้อไม่รู้หรอหนึ่งในข้อนั้นก็บอกว่าให้ภิกษุสงฆ์ตอนนี้เนี่ยฉันมังสวิรัติหมดนะพระ อ, องค์บอกว่า อยากทำอะไรก็ทำนะแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยภิกษุห้ามจิตนิมนต์อะไรเนี่ยพวกพะเยาเอออยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ผิดแต่อย่าไปตั้งกติกาบังคับคนอื่นสถานภาพไม่ได้ว่าจริตก็ไม่เหมือนกันสัตว์ที่พระองค์เนี่ยแนะนำเราหลีกเลี่ยงคือสัตว์สิบชนิดนะหนึ่งในนั้นคือคน สุนัขเสือทั้งสี่อย่างงูนะเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยจิตมันสูงมันสามารถบันทึกสัญญาได้มันจะเกิดพยาบาทแต่อีเนื้อสัตว์นั่นถ้าเราไม่สัง่งก็ฆ่านะนะมันไม่มีวิญญาณมันบันทึกไม่ได้ไว่าใครกินมันแต่ถ้าเราสั่งให้มันฆ่าไก่ให้กินหน่อยเนี่ยอันนี้บาปแน่ๆเพราะเรามีเจตนาแล้ว อันนั้นบาปก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไปติดรสชาติเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเราติดกามมาคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเราติดไอห้าข้อนี้นทำให้เราทุกข์มันเป็นกินเลสนะแม้กระทั่งเราไปกินผักนะ ถ้าผักนั้นคุณไปฉีดยาฆ่ า, มาแมลงเนี่ยร่มต้นน่คุณก็ผิดแล้วคุณฆ่าสัตว์นะปูข้าวไปฉีดฆ่ า, มาแมลงคุณก็กงกินไม่ได้อีกแม้กระทั่งน้ำานี่กินไม่ได้นะน้ำนี่มีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตมีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นมันมีจุลินทรีย์สำคัญว่าเราทำอะไรเนี่ยอย่ามีเจตนา ถ้าเรากินเพราะเราชอบเพราะมันอร่อยเนี่ยอันนี้เจตนาแน่ๆกินเพราะตัณหาแล้วก็คนอื่นไม่รู้เราบันทึกเองเราบันทึกว่าเราชอบมันอันนี้เป็นกิเลสนี่คือการมาคุณห้านะก็เคยยกตัวอย่างบ่อยๆสายมหายานนี่เขาไหว้ใครเห็นไหมบางทีเขาไหว้ไหว้เจ้าไห ว, ว้อะไรเอาเหล้าไปไหว้ด้วยนะ เนะขาไหว้องค์ประธานคือพระพุทธเจ้าซ้ายมือพระโพธิสัตว์ควรอิ่มถือสินกินเจขวามือไหว้ชี้เหล้ากินเนื้อสัตว์อรหันต์ชีกงแต่เราไม่ใช่ต้องไปทำแบบนั้นถ้าจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นน่ะถ้าเราไม่ลดละเลิกเราไปติดรสชาติเนื้อสัตว์อะไรนี่อันนี้เป็นกรรมแน่ๆแล้วก็ไอ้กรรมอีกส่วนหนึ่งนะ แต่เจตนาที่เรามีตันหาที่เราติดรถมันเนี่ยอันนี้มันเป็นทำให้เราเนี่ยเดินก้าวหน้าไม่ได้นะบางทีศีลบริสุทธิ์ทั้งหมดอ่ะนะบริสุทธิ์ตามตัวหนังสือหมดเลยแต่ยังไปติดติดรูปแบบติดถูกติดผิดอันนี้เลวร้วายยิ่งกว่านะมันเป็นกรรม ส่วนศีลเนี่ยเขาเปะเป็นตัวป้องกันนะเป็นตัวป้องกั น, นก็อยู่ที่เจตนาเนาะเท่าที่ทราบมาว่าการเบียดเบียนสัตว์เช่นเดินไปเหยียบกิ้งกือตายโดยไม่เจตนาเพราะมองไม่เห็นนั้นไม่บาปแต่มีวิบากติดตัวจากข้อสี่ ที่กล่าวมาจะมีบิบากไหมครับถ้าไม่มีเจตนาคําว่าบิบากต้องเข้าใจอย่างนี้กรรมชี้เจตนายกตัวอย่างว่าเราเดินมาเราเหยียบมดตายไปร้อยตัวเราก็ไม่รู้ไงแล้วใครจะบันทึกเป็นบิบากแต่ถ้าเรามดมาตัวหนึ่ง <c oughs> บันทึกละ่ะไอ้ตัวนี้ตายไม่จบมันเป็นสัญญาไง ม, มันจะกลายเป็นวิบากกรรมทันทีเลยพวกครูขยกตัวอย่างทหารสองคนออกไปรบศึกคนนี้ยิงศัตรูตายบาปคนนี้ยิงศัตรูตายไม่บาปเอา้าทำไมบาปไม่บาปเอาอะไรมาวัดคุณก็ฆ่าเหมือนกันคนนี้ยิงศัตรูตายสะใจบันทึกแล้วคนนี้สักแต่ว่ายิงลูกปืนมันไปยิงเราไม่ได้ยิงมันทหน้าที่ แต่ว่ามีกี่คนทำใจแบบนั้นได้อันนี้เรียกว่ากรรมเฉพาะหน้าแต่ถ้าเกิดว่าทั้งเจตนาไม่เจตนาก็ชั่งกรรมมันส่งผลให้เราต้องไปเป็นทหารไปรบศึกส่วนหนึ่งเราเสยสละเพื่อบ้านเมืองเราได้กุศลแต่ส่วนหนึ่งนี่เราออกไปเนี่ยเรามีหน้าที่ฆ่าเนี่ยแน่นอนเราต้องถูกเขาฆ่าด้วยโอกาสที่ถูกฆ่าก็มี แต่ถ้าเราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราถูกฆ่าก็ไม่มีเหมือนเราเหยียบมดเนี่ยถ้ามันส่งผลมันกัดเราเวลานั้นเลยแต่ถ้ามันไม่กัดก็คือผ่านไปมันมันกลายเป็นวิบากกรรมไม่ได้นะยกตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะพระวงตัดสั้นรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจบแล้วไง แต่ไม่ใช่กรรมมันหมดนะพระองค์ไม่สร้างกรรมแน่ๆพระองค์ระเบิดตัวเองทิ้งหมดไม่มีแต่องค์แต่ว่าเทวทัตเนี่ยเป็นกรรมร่วมยังมีพยาบาทเห็นไหมยังมีแต่เล่นงานพระองค์พ ร, พระเจ้าชัยสต์ถูกเล่นงานตั้งแต่ทรงอยู่ในครันของมารดาแล้วเนี่ยเั็นเป็นกรรมร่วมเพราะว่าจิตดวงนั้นบันทึกสัญญาอยู่เขาแคร์เราแล้วเปลี่ยนจิตเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ นะเอาเป็นว่ามันเป็นข้อกำกับข้อเตือนสติถ้าเราเหลียกเลี่ยงได้เนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะแล้วก็ตอนนี้โรคโรคมนุษย์เราเนี่ยมีประชากรเกือบเจ็ดพันล้านคนพวกคูเคยศึกษาเรื่องนี้มีช่วงหนึ่งพวกคูก็กินสับหนึ่งสวิรัตสองสามปีนะกินเจพวกคูลองหมดพอเดินทางแล้วไม่สะดวกก็เจเขีย่ย บางเมืองไทยเนี่ยที่ไหนไปสั่งอะไรมันก็น้ําปลาหมดนั้นแหละทีนี้บังเอิญว่าเรามีกรรมที่สมัยก่อนเรานั่งรถเราเป็นนักการเมืองอะไรอะไรเนี่ยตรงลําไส้ใหญ่ตรงปลายมันเกิดเป็นแผลนะ่ะถ้านั่งเครื่องบินนานๆหรือ น, นั่งรถนานๆานท้องอืดปุ๊บเนี่ยเลือดมันไหลไม่หยุดเลยแต่พ่อคูไม่เคยไปหาหมอช่วงนั้นน่ะโปรตีนเราจากพืช แผลมันหายยากมากนะบังเอิญตอนนั้นเดินทางเนี่ยเาไปเขาก็สั่งอะไรกินกนมาเนี่ยบังเอิญมันเอาปลาซาบะเนี่ยมาทำเนี่ยนะพราะครูไม่รู้นะนะแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยมันสมานแผลได้เร็วมากคือคือตอนนี้เนี่ยพ่อครูลองมาแล้วอาหารอะไรเขาช่างเนี่ยมันไม่มีผลสำหรับจิตพ่อครู แต่ถ้าเลือกได้พราะกูเลือกกินผลไม้อย่างเดียวเพราะมันย่อยง่ายนะพราะกูลองเป็นปีเลยนะแต่ว่าผิวแห้งหมดเลยเนี่ยมันถึงว่าถ้าในร่างกายเรามันตาดขาดสารอาหารแล้วมาอยู่ในป่านี่คุณจะหาผลไม้อะไรที่มันครบมูไม่ใช่สัมมาถาเรียบง่ายนะกลายเป็นวุ่นวายเพิ่มพะลัให้ผู้คนนะเราก็เลือกที่มันง่ายๆความถูกต้องคือความง่าย ก็ทุกอย่างอยู่ที่เจตนานะแม่ค้าสองคนเชือดคอไก่คนที่เชื้อดบคนที่เชื้อไม่ตบอิสลามถึงว่าซ p พีเขาจ้างคนอิสลามไปเชือดไงเขาเชื้อแต่เขาไม่กินเลือดไก่เขามีหน้าที่เชื้เชือดแต่เขาไม่มีเจตนาที่จะรังเกียจมันที่จะทำแม้ว่ามีเจตนาเพื่อจะฆ่าเพื่อความร่ำรวยแต่คนที่สั่งให้เขาฆ่านี่เตรียมตัว มันอยู่ที่เจตนาของเรานะฝ่ายบุญเหมือนกันนะฝ่ายบุญเหมือนกันเราเป็นเจ้านายเราทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยก่อนจะนอนเราสั่งลูกน้องพรุ่งนี้ตื่นตีสี่มาหุงข้าวนะไปใส่บาตเราสั่งปุ๊บเราได้ล่ะแต่ลูกน้องนี่มันเบื่อมันไม่อยากจะตื่นนอนไม่พอทำไปด้วยบ่นไปด้วยนะ แล้วก็ไปใส่บาทมีคนไปแอบถ่ายวีดีโอทุกวันเนี่ยโอ้สับถุนว่าไอ้คนๆ น, นี้เนี่ยมันบุญเยอะมันมันทำบาทมันมันใส่บาต ท, ทุกวันมันไม่ได้อะไรเลยแถมบาปด้วยอย่าไปดูที่กิจิยาข้างนอกอยู่ที่เจตนานะก็เรื่องการกินเนื้อสัตว์แม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งกฎไม่ได้บังคับแต่ท่านก็ให้เรา เมตตาธรรมขำจุนโลกและท่านท่านรู้ชัดและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำอะไรย่อมได้รับผลของกรรมนั้นใครกินเขาไม่ช้าไม่ชาติใดชาติหนึ่งก็ย่อมถูกเขากินคืนท่านให้ทุกคนได้เรียนรู้กรรมและผลของกรรมวิบาก ให้ชัดใช่หรือเปล่าครับใช่ครับแต่กรรมคืออะไรกรรมต้องอยู่ที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยไม่ใช่บิบากกรรมมันเป็นกรรมเฉพาะหน้าแต่ถ้าเรากินปุ๊บอร่อยปุ๊บเนี่ยมีเจตนาแล้วมันติดรสไงมันเป็นกรรมมากุณห้านะก็องคุริมานไงองคุริมานไม่ได้ฆ่าสัตว์นะ ค่าคนเก้า้อยเก้าสิบเก้าไอ้เก้ารเก้าเก้าสเก้านี่นี่ถูกต้องเลยที่เมื่อกี้บอกพระเจ้าสอนนะ่ะอีกเลี่ยงองค์คุริมาลสมัยเกิดเป็นวัวตายายคู่หนึ่งเลี้ยงวัวตัวนั้นคุณตาล้มวัวตัวนั้นเรียกคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมากินเนื้อวัวรวมทั้งคุณตาด้วยเห็นไหมองค์คุริมาลเป็นวัวทุวกินแล้วพอเกิดมาชาตินี้องค์คุริมาลก็ฆ่าพวกนั้นเป็นกรรมร่วม แต่เราไม่ใช่ไปเอาปลออย่างองคุริมานมันไม่เหมือนกันนะองคุริมานเนี่ยเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากเพื่อนฝูงนี่อิจฉาตาลอนก็ไปใส่ไฟนะไปให้ข้อมูลครูบาอ า, นะาจารย์ผิดนะครูบาอาจารย์ก็ใช้อุบายขับออกจากสำนักบอกว่าไปฆ่าคนมาครบหนึ่งพันจะสอนวิชาพิเศษไม่ลังเลสงสัย ผู้เจ้าทังบอกอย่าเพิ่งเชื่อครูบาอาจารย์บางทีเองครูบาอาจารย์ยังไม่ทะลุ ป, ป้องก็ไปยึดมัน่นถือมั่นไปเชื่อในตัวเองความเชื่อแต่ว่าครูบาอาจารย์เข้าไม่ถึงนาน า, นาจิตตังนะองค์คุลิมาลก็ฆ่าอย่างซื่อสัตย์กลัวจะลืมก็ตัดนิ้วมาแขวนไว้ฆ่าไปฆ่ามาคิดว่าการฆ่าเนี่ยจะทําให้เขาหมดเวรหมดกรรมเร็วๆจะไปโปวดแม่ตัวเองคนสุดท้ายคนที่พัน พระพุทธองค์เห็นว่าราจิตไงองคุริมาสร้างบา ร, รมีมาเยอะมากนะถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่หมดสิทธิ์เลยพระองค์ก็ไปยืนเดินขวางไว้ไงองค์ุริมาบอกหยุดหยุดยุดนะพระองค์เดินชา้าชวิ่งยังไงก็ไม่ทันเห็นไหมพระองค์บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุริมาหยุดได้ยังไงถ้านยังเดินอยู่พระพุทธองค์บอกว่าเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่แค่นี้ดวงตาเห็นทำพระพุทธองค์เนี่บวชให้มหาชน ยุคนี้ไม่เอาคนไม่ดีฉันไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่เปลี่ยนคนดีให้มันดีไม่ใช่เอาจต่คนดีๆผู้เจ้าบวชให้มหาชนมันมีที่มาที่ไปมันไม่มีสูตรสมเด็จว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีเหตุของมันอยู่นะแต่พระพุทธองค์เนี่ยเหมือนพระองค์เนี่ยเตือนไงให้ละเว้นไม่ใช่ห้ามนะให้ละเว้นการฆ่าสัตว์ ละเว้นดื่มเครื่องดองของเมาไม่ได้ให้ห้ามเพราะว่าหลายคนไปกินเหล้าปุ๊บก็ขาดสติแล้วไปสร้างกรรมใหม่แต่อาลหันจี้โกงเนี่ยยิ่งกินเหล้าเท่าไหร่มอมสมองซีกซ้ายไอ้ความคิดบ้าๆบอๆนี่ให้มันมอมมันยิ่งเมาตัวเมาแต่จิตไม่เมายานรู้ก็เกิดขึ้นแต่อย่าเรียนแบบนะมันเป็นศาสตร์นึงที่นี่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นไง นักเก็งพอเข้าจิตเนี่ยเมาเมื่อไรเนี่ยกอกเล่าในศาลานี่เมากันหมดทีมแก่มันเป็นส ป, ปาร์กอุปทานเก่าขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีสูตรสมเด็จเพียงแต่ว่าถ้าเราหลีกได้หลีกเลี่ยงเพราะว่ า, า, า, า, วาอินทรีย์พระละยังไม่แก่กล้านะอันนี้ยกตัวอย่างหลายตัวอย่างให้ดูนะเอาเป็นว่าเราเหลีกเลี่ยงได้ก็ดีหนึ่งเป็นการลดละเลิกการติดรสชาติ โดยเฉพาะสัตว์ทุกวันนี้นะ่ะถ้าไม่ระวังนะอย่าว่าจะสัตว์เลยพืชผักทั้งหมดละ่ะมันฉีดยาฆ่าแมลงตั้งแต่แรกละ่ะเห็นไม้มมันก็ฆ่าสัตว์ไงแล้วก็ไปกินผักตัว น, นั้นก็แสดงส่งเสริมให้มันไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะเราไม่รู้จะกินอะไรนะคนเจของโลกใบนี้เนะี่ยเจ็ดพันล้านคนเนี่ยจ็ดอร์ซเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารทะเล ส่วนใครสร้างกรรมยังไงก็รับกรรมไปแล้วเป็นว่าเราถ้าเราไปยึดติดกับข้อผิดย่อยตรงนี้แล้วทําให้เราเป็นขวางกั้นทางเดินเราเนี่ยสําหรับพวกครูแล้วเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ป้องกันได้นะอนุโมทนาสาธุทําไปเถอะแต่หลายคนเนี่ยเขาเขาไม่มีศักยภาพเขาไม่มีไม่มีศักยภาพที่จะทําอย่างนั้นได้นะ บนโลกนี้จึงได้แบ่งความเชื่อเป็นสองสายหรือไม่คะคือสายที่หลุดพ้นแล้วะจะบอกให้เรากินไปตามาธาตุขันถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่รังเกียจก็ให้กินไปท่านจะไม่คิดเพราะแต่จะกิน เนื้อให้ดำรงอยู่ได้ไม่ใช่กินเนื้อบำรูบำเลกินเลสสายพระโพธิสัตว์ท่านจะทนดูไม่ได้นะท่านจะบอกอท่านจะเมตตามากสงสารมากท่านทนดูไม่ได้ที่ต้องมากินเลือดเนื้อกันเองนะเคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องกัน ทั้งนั้นอยากทราบว่าความคิดเห็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนะไม่มีถูกไม่มีผิดมันเป็นความเชื่อที่ต่างกันมาถึงแยกเป็นสองสา ย, ยางไงเอาแค่เทระวาดกับมหายานตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเทระวาดเราบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่เป็นพระอราหันต์แต่มหายานเขาในพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระอราหันต์ซึ่งมีจริตในทางเมตตาธรรมใหญ่กว่าพระโพธิสัตว์มันเป็นความเชื่อ มาถึงไตแ ต, แตกกันหลายละทิศนี้กา ย, ยางไงแต่สุดท้ายเนี่ยวัดกันที่เจตนานะเป็นอุบายวิธีทั้งนั้นแหละเห็นไหมคนเขาตติดเนื้อสัตว์เนี่ยบางทีเขาเลิกไม่ได้เพราะวิถีเขาเลิกไม่ได้ร่างกายไปติดแล้วหรือว่าวิถีเขาเนี่ยไ ม, ไม่มีเวลามาดูแลตัวเองอย่างนี้นะเขาก็มีฤ ด, ดูถือศีลกินเจกันเอออย่างน้นอยๆมาลดล่าเลิกช่วงหนึ่ง นะอันนั้นก็เป็นรูปแบบเป็นอุบายวิธีที่ทําให้เราลดละเลิกก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าเลิกได้เลยเนี่ยก็สุดยอดเห็นไหมแต่เราต้องดูด้วยนะร่างกายเราเนี่ยมันมันมันเหมาะกับตรงนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเราเดินทางไปเนี่ยมันต้องเป็นภาละไปไหนก็เออเหมือนเราหิ้วปินโต น, นั่นแะมันเป็นภาละมันไม่ใช่วางมันหิว้ว ตแต่ถ้าว่ามันไม่ลำบากก็ทำไปนะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินบางคนพรอคูไปในเมืองญาติทมก็โอ้สั่งอาหารมาบอกพ่อครูยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเนาะกินอยู่มาถามพ่อครูมันเค็มไหมเออไม่รู้จะ ร, ร, ร, ร, ร, รู้ไปทำไมเราต้องหาความหมายตลอดเราไปตาหาความหมายตลอดไงเราไปติดรถมันไงนะ กลัวมันจะไม่อร่อยไงถามพ่อครูเค็มไหมพ่อครูไม่ต้องลิ้มรสหรอกกินก็ไปกินอย่ามากเรื่องนะอยากรู้ได้ไหมรู้ก็ไปลิ้มมันก็รู้แล้วไงแล้วลิ้มมันทําไมล่ะถ้าลิ้มปุ๊บเกิดไปเจอสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็ทุกข์อีกไปเจอสิ่งที่ตัวเองชอบก็อร่อยอร่อยก็มีกิเลสเพิ่มอีกก็กินก็สักแต่ว่ากินเนาะนี่แหละคือเจจริงๆนี่ข้างในมันต้องเจมันต้องบริสุทธ์ ไม่ใช่ติดรูปแบบข้างนอกนะเหมือนที่นี่ถามหลายคนถามนะ่ะเพราะกูแผ่เมตตาไหมไม่ยี่บเจ็ดปีไม่ใชายี่สิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดปีไม่เคยแผ่เมตตาเลยชนอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์เขาทํานี่ยทำแล้วแผ่เมตตาเพื่อเตือนสติตว่าต้องเมตตานะต้องเมตตานะเหมือนเตือนต้องเมตตานะแผ่เป็นชั่วโมงเพราะพิงมากออกไปเขาเหยียบขาเดียดนึงเนี่ไปด่าเขาเลยไม่มีเมตตาแล้วคุณจะแผ่ทําไม อย่าไปติดแค่รูปแบบนะนะศีลคือความปกติของจิตถ้าพบจิตปกติบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่ต้องถือศีลแต่มันไม่ทำชั่วแน่นอนทาสานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปีย่ยมเห็นไหมทาสานหิวก็กินง่วงก็นอนบางทีไม่รอหิวดวยถึงเวลามันก็กินถึงเวลามันก็นอนมันไม่มากเรื่องมันไม่โกหกมันไม่กินเหล้า เพราะมันไม่มีความอยากมันมีศีลอยู่แล้วแต่ตอนนี้ศีลเราหายไปหมดเพราะเรามีอวิชชามีความรู้ผิดไงเฮ้ยชนะถึงจะดีแพ้เสียเปรียบไม่ได้เรามีทิฏฐิมานะละเห็นไหมเราก็เลยทําผิดศีล น, นะพวกเราที่นี่เดินสายกลางนะสายกลางของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันไม่มีสูตรสาเร็จคนไหนทําได้จะ ด, ดับไหนก็ทำอนุโมทนาไม่ใช่ต้องเหมือนกันนะแต่เป้าหมายเราเดียวกันเรายึดคําสอนผู้เจ้าเหมือนกัน่ะส่วนเขาใครจะ จับกูบายตรงไหนมาก็ทำไปนะคนหนึ่งขัดซ้ายก็เดินซ้ายอย่าไปเถียงกันเดินซ้ายดีเดินขวาดีนะมันเป็นนานาจิตตังจิตว่างคืออะไรการไม่คิดอะไรเรียกว่าจิตว่างหรือไม่ถ้าไม่คิดอะไรเราแค่ว่างจากความคิดมันว่างชั่วคราวแต่ยังไม่ว่างจากกระแสะกรรม มันเป็นทุกคนมีเกิดมาเคยสัมผัสเวลาช่วงเวลาวินาทีที่มันจิตว่างเมื่อมันว่างจากความคิดจากสิ่งปรุงแต่งมันก็เกิดความสงบแล้วก็สัมผัสความสุขชั่วคราวจิตว่างเป็นแก่นพุทธศาสนาหรือไม่แล้วพูดว่าเป็นแก่นก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะแก่นพุทธศาสนาที่ผู้เจ้า เตือนเราครั้งสุดท้ายบอกว่าพุทธศาสนาที่กชนเนี่ยต้องทําเหมือนกันทั้งหมดเลยคือทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสคือทานศีลภาวนาโอวาทปาติโมส่วนการทําดีเนี่ยบางคนชอบทําดีเพื่อจะไปสร้างวัดไปดูแลเด็กยากจนไปดูแลคนแก่ไปดูแลบ้านเมืองมันเป็นจริตไม่เหมือนกันก็ทําไปเถอะบางคนถือศีลละชั่วไม่เหมือนกัน เห็ไหมพวกครูไปทั่วโลกมาแล้วแม้กระทั่งมหายานก็มีหลายศีลหลายแบบเทวราชเราก็มีแบ่งเป็นหลายอย่างมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันเป็นใช้อุบายต่างกันเพื่อให้เราละชั่วอย่างการถือศีลกินเจกินมังสวิรัตนี่ก็เป็นอุบายในการละชั่วในการส่งเสริมให้ข่าเป็นอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เราไม่ติดรถอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่บางคนเขาไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะแต่มันเป็นอุบายเป็นอุบายมันดีทั้งนั้นเน่ยแต่ถ้าเป็นหลงอุบายเมื่อไหร่ไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหลงก็คือไม่ดีนะก็คือติดไงก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเนาะจิตว่างกับจิตประพัฒสอนต่างกันอย่างไรตัวหนัง ส, ส, สือก็ต่างกันแล้วไงจิตว่างก็เขียนอย่างหนึ่งจิตประพัฒสอนก็เขียนอย่างหนึ่งเนาะเออต่างกันอย่างไร คำว่าจิตว่างมันว่างจากการปรุงแต่งอยู่ที่ว่าว่างระดับไหนแต่จิตยังไม่เป็นพุทธสอนเด็กเกิดมาเนี่ยเรียกได้ว่าจิตเดิมเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่มีจุดด่างจุดหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีตาทิพย์มองไม่เห็นอันนี้เรียกว่าจิตเดิมนะพอพ่อแม่ให้ชื่อมาปรุงแต่งเกิดความรู้ต่างๆกลายเป็นจิตปรุงแต่งแล้วนะเป็นจิตปรุงแต่งแล้ว ผู้เจ้าชี้ทางให้เราขัดเกลีจิตให้ผ่องใสเมื่อเราดําเนินตามเนี่ยทานศีลภาวนาเราจะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สะอาดสาดขึ้นเรื่อยๆมีวณนทีที่มันเรียกว่าจิตหลุดพน้นจากจิตเดิมเป็นจิตปรุงแต่งกายเป็นจิตหลุดพน้นแต่อยู่ที่ว่าหลุดพ้นขั้นไหนหลุดพ้นขั้นโสดาบันยังต้องแต่งงานแบบนางวิสาขามีลูกเป็นโลโลอันนั้นยังไม่เป็นผนู้พิจาร แต่ถ้าเราดําเนินไปเมื่อเรารู้ธรรมเราปฏิบัติให้มันเห็นธรรมล้วก็ต้องปฏิบัติต่อเนื่องให้มันบนรรลุธรรมทีนี้บรรลุขั้นไหนถ้าบรรลุขั้นสูงสุดคืออรหัตผลอันนั้นเข้าสู่จิตเดิมแท้อันนี้เป็นประพัดสอนปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเรามีกระดาษใช่ไหมเรายังวาดลงไปได้ใช่ไหมอันนี้มันไม่มีกระดาษแล้วนี่มันจะไปวาดตรงไหนล่ะนั่นแหละคือสุญญาตา นะก็อันนี้เราก็แลกเปลี่ยนเมื่อถามมาพวกก็บอกนะถึงเราจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ช่างแต่บังเอิญเราดำเนินทานศีลภาวนาทำดีละชั่วกัดกจ น, นใจนี่ผ่านอยู่ใกล้ๆแล้วเราจะรู้ทีหลังเพราะจิตเรามันรู้อยู่แล้วภาษาเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีหลังไม่กี่พันปีนี้เอง ก่อนหน้าเจ้าชายศรีสถานจะประสูติในโลกใบนี้นะ่ะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยในสายพุทธที่เราบันทึกไว้อีก27พระองค์จะเป็นพระทีปังกรกัสปะเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีศีลเหล่านี้ไม่มีศีลตัวหนังสือไม่มีพระไตรเบิดกไม่มีปริยัติท่านก็บรรลุทำได้แต่บังเอิญพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านต้องมาเป็นเจ้าแห่งพุทธะนะท่านต้องสะสมบรารมีมายาวนานแตกฉานทั้งหมดเลย ยิ่งใหญ่จนแยกเป็นหมวดเป็นหมหู่เท่าไรเลยนะนะท่านถึงสร้างศาสนาขึ้นมาท่านเป็นเจ้าแห่งพุท ธ, ธะนะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้แล้วก็สาวกทั้งหลายเราเรียกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งที่เหมือนกันคือจิตเหล่านั้นน่ะดับทุก์ได้แล้วแต่อนุสัยจิตหรือว่าเอ่อบรารมีไม่เท่ากันเท่านั้นเอง อย่าบังอาจไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเห็นจิตแล้วครับนะถ้ามันเข้าถึงตรงนั้นนะใช้เวลาหน่อยหนึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆชุ้วว่าเราเราเข้าถึงแล้วเราไม่เคยทำโยคะเลยเราไม่เคยลัมเลยเราไม่เคยทำอย่างนี้ได้เราทำได้ไม่ใช่เราสั่งการโดยสมองปัจจุบันโดยจิตปัจจุบัน ถามว่าใครทําใครท ำ, รทำนั่นแหละดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะที่มันเริ่มหมุนแล้วเนี่ยอะไรหมุนในตัวเรามันมีพลังอย่างหนึง่งมันหมุนเนี่ยอะไรหมุนดูนไปเรื่อยๆนะสมัยก่อนทําไมเราไม่รู้จักว่ามันหมุนอ่ะพอเรามาทำปุ๊บเ อ, อ๊ะมันหมุนก็ดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทําให้เราเห็นอ๋ออ๋ อ, อ, อแล้วเราจะเห็นด้วยตัวเราเองนะก็ นั่นแหละถ้ามันดำเนินไปตามอัตโนมัติโดยเฉพาะแนวเรามันชัดร่างกายมันเคลื่อนไหวไอ้จิตปัจจุบันก็สัมผัสว่าที่มันเคลื่อนไหวนี่เราสั่งมันทำไหมถ้ามันดำเนินไปเองตามธรรมชาติของมันแะถามว่าใครเป็นคนทำนั่นล่ะจิตปัจจุบันเห็นสิ่งนั้นแล้วนะมันจะชัดขึ้นทุกวันอะไรที่อยู่กับตัวเราทุกวันแต่หาไม่เห็น ก็ไปละหาอยู่ข้างนอกไหนมันก็อยู่ในตัวเราแต่เราไม่เคยไปมองข้างในเราไมีจะไปหาข้างนอกมันจะไปเห็นได้ยังไงเห็นไหล่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือรูปนามเท่านั้นเองที่มันอยู่เราก็ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเพราะเราไม่เคยไปดูมันเลยเรามีจะไปดูข้างนอกลืมตามาก็เห็นโน่นเห็นโน่นเห็นโน่นเห็นนี่นะที่อยู่กับตัวเรา ทุกวันแต่เราไม่เห็นก็ไอตัวหนึ่งก็คือตัวเรานั่นแหละเราสร้างตัวเราขึ้นมานั่นแหละก็ตัวอัตตานั่นแหละใช่ไมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วปัจจตังเวททิฏฐโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเรายกนี่นานๆเจ็ดวันเจ็ดคืนหนักไหมหนักใช่ไหม ถ้าเราวางแล้วรู้สึกยังไงก็รู้แบบนี้ไงก็รู้แบบนี้ไงไม่ใช่รู้จากเหตุผลแบบตักกะแบบภาษาพูดนะเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเราก็รู้สึกเราเร า, เราสัมผัสว่ามันเบาไงนะเมื่ออัตตามันไม่มีแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนอยากไปกินเหล้าใครอยากจะเป็นคนไปโกหกก็มันไม่มีแล้วไงเนี่ย ผู้เจ้าพูดไว้หมดแล้วไม่ได้ผิดหรอกที่เราสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนน่ะปัจจัตตังเวทีตักโพเป็นูเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนนะอย่าเอาสิ่งที่รู้ไปบอกเขาว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะมันก็เข้าหูซ้ายออหูขวามันมันไม่เข้าใจหรอกเออถ้าเขาศรัทธาเ้าเราเนี่ยเขาแค่เข้ า, เ ข, าเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ก็ยังไม่รู้จริงยิ่งพูดยิ่งเลอะเลือนดูด้วยตัวเราเอง จิตมันเต้นตามเพลงโดยอัตโนมัติพึ่งเป็นลุกนั่งหงายหลังลุกนั่งหงายหลังเหมือนเหมือนอะไรนะซิดอัพเหมือนอะไรซิดอัพเนาะโอเคเต้นไปก็ยังมีความคิดฟุ้งไปหมุนไปก็ยังมีความคิดฟุ้งไป เพราะอะไรก็นี่ไงใครทำให้เราลม้มฮะนั่งอยู่ดีๆไม่ได้เหรอล้มทำไมใครทำให้เราลม้มฮะก็ทำไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันล้มเองแล้วมันล้มเองได้ยังไงเราทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใครทำให้เราลม้มในเราเริ่มเห็นแล้วไงใครทำให้เราลม้มในตัวเรามันมีอะไรเหรอะ มันมีเปรตแต่สุรกาอยู่ในนั้นใช่ไหมนี่มันเป็นเองไงมันเริ่มมีพลังจิตจิตมันมีพลังแล้วเนี่ยมันต้องการปลดปล่อยตัวเองอริยบทที่มันแสดงมาไม่มีแม้แต่หนึ่งอริยบทเนี่ยไม่มีไย y ะนะทุกๆอย่างที่มันจิตมันทําเนี่ยมันมีไ n ยะของมันล่ะมันไม่ทําเรื่องไร้สาระแต่ใจเราเนี่ยทําเรื่องไร้สาระตลอดชีวิตเราถูกใจเราหลอกมาตลอดนะ เรียนรู้กับจิตเดิมเรานั่นแหละคืออาจารย์เรานะนั่นคืออาจารย์แท้ๆของเราผู้วิเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อครูบาอาจารย์ข้างนอกนะแม้กระทั่งผู้วิเจ้าเองพระองค์แตกฉานทุกอย่างเลยรู้วาระจิตทั้งหมดเลยพระองค์ยังไม่บังอาจเนีปลดปล่อยทั้งหมดเลยพระองค์ก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้ไงนะนั่นแหละไปเรียนรู้กอาจารย์เราข้างในทุกคนฝึกวิชามาไม่เหมือนกันแล้วเราจะเห็นจริตจริงๆว่าจริตจริงๆเราเป็นอย่างไร ทุกวันนี้เป็นแค่กิเลสนะเราคุ้นเคยกับฝึกเงียบๆนิ่งๆไปเจอเสียงดังๆว่าไม่ใช่ฉันไม่ชอบอย่างนี้อันนี้เป็นกิเลสกิเลสเราไม่ชอบอย่างนี้มันไม่ใช่จริตจริงๆล้วเข้าไปในจิตแล้วเราจะรู้ว่าจริตจริงๆของจิตเราคืออะไรแล้วมันก็จะมาดำเนินต่อนะเต้นไปก็ยังมีความคิดฟุ้งไปอ่าเป็นเพราะอะไรก็เพราะมันคิดไง ก็มันคิดไงแต่ถ้ามันคิดเฉยไม่ฟุ้งนะแต่ถ้าเรารู้เฉยไม่ฟุ้งที่มันฟุ้งเพราะเราอยากรู้ว่ามันคิดทําไมมันสับสนกันล่ะพอเราคิดเรื่องก่อตังวลเรื่องขอคิดเรื่องงออารมณ์มันตีกันนั่นแหละฟุ้งฟุ้งซ่านสับสนเลยล่ะก็สักแต่ว่ารู้มันคิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราเต้นแล้วมันเลิกคิดถ้ามันไม่คิด เรายิงเป้าบินเนี่ยเราจะเอาเป้าตัวไหนมายิงล่ะเราก็ยิงลมสิเราจะเกิดชํานาญได้ยังไงคิดเราก็เห็นกิเลสเราไงกิเลสที่ชอบคิดไอ้จิตที่ฝ่ายชอบคิดมันก็คิดเราก็เห็นมันก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนที่หลงตัวเองและใจคอคับแคบมากๆต้องทาอย่างไรทาใจ อโหสีกรรมเมตตาธรรมเนาะนั่นแหละเอาดอกไม้ทูบเคียนไหว้เขาทุกวันเขาทําให้เราเห็นอารมณ์เราเขาเป็นครูบาอาจารย์อย่างยิ่งนั่นแหละของแท้เราก็ต้องอยู่กับคนแบบไหนก็ได้ที่ทําให้เราทุกข์ไม่ได้นั่นแหละของแท้ไม่ใช่ไปหนีปีกวิเวกอยู่คนเดียวในสบายสบายพอออกมาในโควีดเหมือนเก่าเ <No. S 1> พราะไอเชื้อไวรัส ที่เราไม่ชอบแบบนี้มันยังอยู่ไงนะต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนอันนี้เสร็จแล้วนอพี่โบราณเขาหลังเกียจอาชีพเต้นกินลำกินไม่ดียังไงแล้วที่เราปฏิบัติโดยการเต้นการลำเนี่ยต่างอะไรกับอาชีพเต้นกินลำกินอันนั้นเขาเต้นกินลำกินนะเป็นอาชีพ แต่เราเต้นเราลัมเนี่ยเพื่อสลัด ก, กิเลสออกมันคนละเรื่องไม่ใช่เป็นนักแสดงเต้นกินลำกินสวยบบโบราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เป็นมายามันเป็นเหมือนการหลอกลวงถึงเราจะให้ความสุขเขาก็ช่างแล้วสังเกตเนี่ยอาชีพเหล่านี้แล้วชีวิตส่วนตัวเนี่ยไม่สมบูรณ์สักคนหนึ่งไม่สมบูรณ์สักคนหนึ่งคนโบราณเขาถึงบอกว่าเต้นกินลำ้ำกินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ คุณแสดงไนนะคุณแสดงคุณไม่ได้ออกมาจากความจริงกันเลยนะเหมือนเราให้ให้ความสนุกสนานก็เราให้กิเลสเขาไงนะแต่ที่เราเต้นเราลําเนี่ยไม่ใช่เต้นกินลํากินนะมันไม่ใช่อาชีพที่จะไปหลอกลวงคนนะอะิยบทที่มันเต้นมันลําเน่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นอุบายที่ทําให้จิตเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับมันนะ ตั้งบั้นอยู่กับมันถ้าเรากินข้าวเราตั้งบั้นอยู่กับการกินข้าวนั่นคือการเจริญภาวนานะตอนนี้เรากินข้าวด้วยคิดด้วยนึกด้วยอย่างงี้อันนี้เนี่ยมันรั่วนั่นละ่ะการการภาวนาก็คือว่าการอยู่ปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำบางคนก็แยงมาเอา้าอยู่ปัจจุบันแล้วกูแล้วลึกชาติทำไมคำว่าปัจจุบันปัจจุบันการกรอลิง ผู้เจ้าก็ระลึกชาติบูเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าในการระลึกชาติเมื่อเราไปอดีตชาติเราเป็นเสือในขณะนั้นเราก็รู้อารมณ์เสือนั่นแหละคือปัจจุบันการเราก็เกิดปัญญาว่าเอ้เวลาเสือมันหิวเป็นยังไงเวลามันโกรธเป็นยังไงมันก็เกิดปัญญายไงนะตอนพีแอรเราเนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยเป็นสุนัขอยู่สองเดือนเห่าหอนอยู่ตอนนั้นแหละ เขารู้วาลาจิตเขารู้ภาษาหมาไปวิ่งชงกาแฟเพ่อกูบอกว่าเฮ้ยสุนัขมันกินกาแฟได้บอก ฮ, ฮูมันบอกได้เราเคยเป็นสุนัขมาหลายชาติผู้พระเจ้าบอกให้ละเว้นขันฆ่าสัตว์เพราะสัตว์เหล่านั้นบางทีเขาก็เคยเป็นพ่อแม่เราเนั่นแหละนะทีนี้มันอยู่ที่เจตนานะถ้าเราไปติดห่วงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยชีวิตเรามัน มันไม่อิสระนะแต่ถ้าฝึกตัวเองหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างเยาวชนเขาไปเทคไปไปไปผับไปเต้นดิสโก้อะไระไรเนี่ยนะอันนั้นเต้นด้วยอารมณ์นะสนุกสนานขาดสติพอชนกันตีกันฆ่ากันเลยเห็นไหมอันนี้เราคนเป็นร้อยๆเนี่ยเทียงดังๆต่างคนต่างเต้นไม่ยุ่งกับใคร เห็นไหมมันการเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งคือเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นอยู่ปัจจุบันกับเวลานั้นทีนี้ชีวิตจริงเราข้างนอกมันอยู่เฉยๆเหมือนต่อมาอย่างเดียวไม่ได้อยู่เฉยๆกินข้าวก็ไม่ได้นะเดินไปทํางานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ชีวิตเรามันต้องเคลื่อนไหวแล้วก็เอาอายุวัฒเคลื่อนไหวนะนะั้นน่ะมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญภาวนาของเราปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ใช่ไปติดที่รูปแบบอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ฝึกตรงนั้นนั่งเฉยๆเราชำนาญแล้วพอชีวิตเรามันเฉยไม่ได้เนี่ยเสียงก็ดังดังกันมันด่ากันด่ากันนะเราไม่ได้ฝึกมาไงเราก็ไม่รู้เท่าทันสิ่งมันมามากระทบเวลาปฏิบัติก็จะมีผู้หวังดีหลายๆท่านมาคอยบอกว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้เช่นบางครั้งจิตให้นั่งนิ่ง แต่ก็จะมีคนมาบอกว่าทำไมไม่หมุนทำไมไม่กิ่งหรือบางครั้งที่มันหมุนอยู่ก็มีคนมาบอกว่าติดหมุน <c oughs> ควรจะทำยังไงดออีอันดับแรกทำใจก่อน <c oughs> คนหวังดีก็เป็นแบบนี้แหละบางแห่งนะพวกกูบอกนะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแห่งเขาให้ปิดวาจา เพราะเขาป้องกันสิ่งนี้ก็ใจไหมไม่ให้พูดสิบห้าวันไม่ต้องพูดเลยนะเพราะคนหวังดีเนี่ยเยอะนะแต่หวังดีตามนัยยะที่ตัวเองเชื่อเพราะครูต้งบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเรายังไม่ข้ามพน้นเราเข้าไม่ถึงคำว่านาน า, น า, นานจิตตังเราไม่เห็นวารา จ, จิตคนอื่นแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาเห็น ไ, ไหม เจตนานีไปบอกเขาเนี่ยกลายเป็นเขามาฟ้องพ่อคูเขาชอบไมล่ละเห็นไหมเขาไม่ชอบละนะก็ต่างคนต่างทําเนาะแต่เราต้องรู้จิตเราเองว่าเอออย่าไปติดมันเท่านั้นเองบางทีมันอยากนิ่งก็นิ่งมันนิ่งเท่ถ้ามันนิ่งนานเกินไปเนี่ยเราต้องมีสตินะมันติดหรือเปล่าเราก็ต้องดูเองเนาะส่วนคนทั้งนอกเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าละจิตเขานี่ไม่ต้องไปแนะนําเขาหรอก ต่างคนต่างทำเนาะก็เรื่องนี้ทุกคนเอาความเคยชินตัวเองเนี่ยมากําหนดพราะครูไปอินเดียพราะครูไปถามไกอินเดียบอกว่าเฮ้ยทาไมรถที่นี่บีบแต่มากจังเลยเขาตอบว่าแต่มีไว้ให้บีบเราสะดุ้งเลยนะเฮ้ยจริงของมันว่ะเอ้าเขาบอกแต่มีไว้ให้บีบไง แล้วคนอินเดี ย, ดยบีมันไม่เคยกรธเลยนะบีมก็อยู่นั้นแหละเมืองไทยลองบีบเกินสามครั้งทีอะไรเกิดขึ้นนะแซงมาจอดมึงแน่เหรอนี่คือความเคยชินไงแล้วก็เอาความเคยชินเราเป็นที่ตั้งไงเออเราหมุนเราหมุนเราหมุนอย่างนี้เหมือนล่อนแป้งนะเพราะกูเคยยี่สิบกว่าปีก่อนไปสอนที่พี่บูนน่ะนะนะคุณป้าคนนึงนั่งหมุนอย่างนี้่ใครมาแกก็บอกให้ทําเหมือนแกเขาทํายังไงก็ทําไม่ได้เห็นไหม เขาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไงแกเข้าไม่ถึงนานาจิตตังนะแล้วพวกกูก็ถามไก่อินเดียอย่างว่าทําไมหนังอินเดียทําไมมันต้องเต้นต้องลําเรื่อยๆแล้วมันถามว่าแล้วทําไมต้องไม่เต้นทําไมต้องไม่ ล, ลําล่ะมันไม่เหมือนกันไงเราก็เอาความคุ้นเคยเราเป็นบรรทัดฐานมันถึงทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้อนะ่ะเนาะนั่นแหละอยู่กับตัวเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่น ทำอย่างไรจิตถึงจะอิสระจากความคิดครับนะทำอย่างไรจิตถึงจะอิสระจากความคิดครับไม่ใช่เฉพาะความคิดนะความคิดเป็นแค่มโนกรรมนะต้องอิสระจากวาจีกรรมด้วยแล้วก็กายกรรมด้วยแต่ส่วนใหญ่มันมาจากมโนกรรมก่อนบางอย่างไม่แน่นะบางอย่างไม่ผ่านความคิดเลยมันด่าเลยด่าตามกิเลส บางอย่างไม่ต้องคิดเลยมันทําเลยไงไม่ตีเขาเลยเพราะมันมันอยากชนะมันไม่ต้องคิดแต่ถ้ามันคิดมันมันอาจจะไม่ด่าก็ได้นะเอาเป็นว่าแต่มนุษกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานะยิ่งแนวที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นมันชัดเลยอ้าวก็ดีแล้วไงก็เห็นมันบ่อยๆบๆเพียงแค่อย่าไปคิดตามมันนะทีนี้เราต้องรู้ก่อนหลักอริยสัจสี่เนี่ยความคิดมาจากไหนทาสานคิดไหมลองลองพิจารณาดู ตอนนี้เราคิดตามภาษาอะไรภาษาอีสานภาษาไทยภาษาเขมีภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาฝรั่งเราคิดตามภาษาแล้วทาสามันใช้ภาษาอะไรมันคิดไหมมันคิดไหมมันไม่ต้องคิดมันมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปียกคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกคิดดีนั่นแหละตัวลายเพราะเราเข้าใจดีผิด โอ้เรามุ่งมั่นก็ต้องทำให้มันสำเร็จเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนนะไม่ให้มันสำเร็จไ น, นคิดดีนะคิดดีนะั่นแหละตัวดีนะคิดดีคิดชั่วถ้าอาจารย์พุทธทาสอยู่ท่านบอกว่าจันไรเหมือนกันคิดก็คือมโนกรรมตอนนี้สอนคิดบวกนะหนังสือขายคิดบวกขายดีมากเลยนะพวกครูไม่เห็นด้วย ไปสนองตัญหาผู้คนเออคนโลกเขาสอนให้คิดบวกมันเป็นเทคนิคเขาเนี่ยเพื่อเพื่อจะขายหนังสือเพื่อจะขายวิชาเขาก็เรื่องของเขาแต่คนมาสายทาแล้วไปส่งเสริมคิดบวกคิดบวกเนี่ยมันก็มันมีประโยชน์ระดับคือเหมือนยาพาราปวดหัวก็กินยาแล้วครับประสาทมาให้มันรู้สึกปวดไม่ใช่มันไม่ปวดนะมันปวดแต่เราไม่รู้สึกปวดเท่านั้นเองแล้วมันจะสะสมตัวนี้นะกลายเป็นความเครียด กลายเป็นมะเร็งแล้วก็สารกินยาแก้ปวดไปเรื่อยถ้ากินเป็นประจำปุ๊บเนี่ก็มีสารตกค้างอีกมันแก้ที่ปลายเหตุคิดบวกก็แก้ปลายเหตุเอาแล้วทํำยังไงไม่ต้องคิดลบได้ไหมไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกคิดบวกเป็นแค่สร้างอุปทานใหม่มากบเกือนคิดลบทนนั้นเองเหมือนยาพารานะแค่เราไม่ต้องคิดลบไม่ต้องสร้างกรรม มีหน้าที่ทำอะไรก็ทำแต่เราคิดนี่เพราะอะไรเพราะเรามีความอยากเราอยากมีอนาคตเราถึงคิดวางแผนถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไปคิดทำไมเวลากินข้าวต้องคิดไหมว่าจะเคี้ยวยังไงไม่ต้องขับรถคิดไหมไม่ต้องเดินต้องคิดไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรยิ่งมีสติถ้าคิดปุ๊บเนี่ยบางทีคิดเรื่องไม่ดีอารมณ์มันครอบงาสติเราเนี่ยนั่นแหละดสติ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 ก็เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะรู้เป็นวิชาการนะหลักอริยสัจ ส, สีนะ่เราต้องรู้เหตุสาเหตุต้นเหตุของมันความคิดมันเกิดขึ้นจากได้ยังไงเห็นไหมม่เกิดจากตัณหาความอยากเขาจึงคิดตัณหามันมาจากไหนมันก็มาจากกิเลสกิเลสคืออะไรคืออวิชชาคือความรู้ผิดเราเรารู้ว่ารวยถึงจะดีแล้วก็คิดยังไงจะให้มันรวย เห็นไหมเรารู้ผิดอะเอารวยมันก็ดีแล้วไงทําไมจะรู้ผิดมารวยมันไม่ดีมันทําให้เราต้องคิดมากไงทําให้เราทรมานตัวเองน่ยมันจะดีได้ยังไงนี่คือเอาวิชาเห็นไหมเมื่อเราไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้ทุกสมุไทยนีิโลธมาผู้เจ้าบอกแล้วเนี่ยไอ้ตัวทุกเนี่ยเราต้องรู้หมันว่ามันทุกแล้วเหตุมันคืออะไรมันคือตัวตัณหานะเป็นตัวตัณหา แล้วต้นเหตุมันคืออะไรกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานให้ไปทำให้เกิดทุกข์ทีนี้วิธีดับตัณหาก็รู้เท่าทันกิเลสเมื่อสติรู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดกิเลสมันเป็นความเคยชินเราเรากินข้าวกินกิเลสนะฝรั่งกินขนมปังเป็นกิเลสของเขาแต่ถ้ากินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตัณหาไม่มีเจตนาไม่กลายเป็นวิบากกรรม แต่ตอนนี้เนี่ยมันแยกไม่ออกไงเพื่อมีกิเล่ตุ๊มแล้วก็มันก็พัฒนาสู่ตัณหาละอยากกินอันนี้ก็อร่อยอร่อยพอไม่อร่อยปุ๊บนี่ก็หน้าเบ๋เลยทุกเนีเมื่อเรารู้แล้วนะจากวันนี้เป็นต้นไปถ้ากินมันรู้สึกอร่อยปุ๊บต้องหยุดกินนั่งดูมันก่อนถ้ามันไม่อร่อยก็หยุดกินด้วยเดี๋ยวมันจะทุกเมื่อตั้งท่าได้แล้วก็กินพรกินซะมีหน้าที่เคีย้ยวย่อยอาหารก็เรียบร้อย ถ้าไปเส พ, พอร่อยนั้นแหะคือเอาอาหารให้กิเลสกินนะกินพรกินไม่ใช่กินเพราะมันอร่อยนะก็มีบางท่านะ่ะแก้วเคยเปิดซีดีให้ครูฟังบอกว่าอย่างนี้เจริญสติไม่เป็นอร่อยก็ต้องรู้สิเปรี้ยก็ต้องรู้เค็มก็ต้องรู้หวานก็ต้องรู้เขาเอาบรรทัดฐานที่เขาเจริญสติมาอย่างนี้นะมากําหนดว่าพระครูสอนผิด สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกครูเนี่ยมันคือผลของมันแล้วไม่ติดรถทําไมล่ะจะไม่รู้มันทําไมล่ะแล้วมันเปรี้ยวแล้วมันยังไงล่ะมันเค็มมัยังไงล่ะเขาเอาอรสชาตินั้นเน่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติมัวจะเจริญสตีเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาเค็มแล้วยังไงหวานแล้วยังไงทุกอย่างพิจารณาแล้วก็เป็นอนัตตาหมด เรารู้แล้วอยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนะแต่พิจารณาทําไมไม่ต้องพิจารณารู้เฉยๆอันนั้นเป็นอุบายวิธีนาะทีละขั้นพอทพําไปทํามาก็ไปหลงติดมันทีนี้ไปไหนไม่ได้เลยติดอยู่ที่สติไงอ่าติดอยู่แค่สตินะเข้าไม่ถึงปัญญาติดชานติดสงบติดสุขในชานอีกก็ก้กาวต่อไปไม่ได้ มันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุนะเรื่องนี้พราะูพูดไม่รู้ไม่ต่ำกว่าไม่รู้หรอยิบเจ็ปีเนี่ยนะรู้สึกเท่ากับอายุน้องดอนลูกชายชื่อดอนไอ้ตัวนี้มันเกิดจากน้องดอนน้องดอนตอนไปเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะแต่คนที่นี่เขาแข็งแกร่งอะไรละเขาคือดอนเขาตีคนไม่เป็นนะเ้าก็เล่าให้ฟังกกูเลยเออนะ ดอนเพื่อนตีดอนเนี่ยดีไหมเก็บอกไม่ดีถ้าดอนตีเขาคืนนินดอนดีไหมดอนเ็เป็นคนไม่ดีห้ามเขาตีคนไม่เป็นนะนินทาคนไม่เป็นบอกเขาดีๆอยา่ยาอยา่ยายอยา่ยาย่าเล่นแรงไม่ดีถ้าเขาไม่เชื่อไปบอกคุณครูทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะเด็กชายแดงเด็กชายดอนวิ่งร้อยเมตรแข่งกันวิ่งไปถึงห้าสิบเมตรเด็กชายแดงล้มลงไปหัวเข่าแตกร้องไห้ แม่เนี่ยวิ่งมาเนื่องจากแม่รักลูกมากๆความรักนี่จนขาดสติรู้ว่าลูกนี่ทุกข์มากเลยเพราะมันร้องไห้ลูกยุดหยุดยุดยุดแม่จะขาดใจตายนะจะซื้อจักรยานให้ซื้อขนมให้แม่ดับทุกข์ลูกที่ปลายเหตุเด็กคนนึงวิ่งมาเนี่ยแม่แม่เห็นไหมที่มันร้องไห้เนี่ยหัวเข่ามันแตกอุย้ยต้องรีบเอาลูกไปรักษาอีกคนนึงวิ่งมาเนี่แม่แม่ที่หัวเข่ามันแตกเนี่ยผมเห็นชัดเลยมันลม้ม อีกคนนึ่งนี่วิ่งมาเนี่ยฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่มันล้มมันขาดขาตัวเองไม่มีใครผลักมันอีกคนหนึ่งวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าเธออีกที่มันขาดขาตัวเองเนี่ยเพราะมันวิ่งไวเกินไปทีนี้เพื่อนสนิทไอ้แดงวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าทุกคนก่อนจะวิ่งเจ้าแดงมันบอกว่ามันอยากชนะอยากคือที่มาของทุกอยากเรานคิดไงและที่นี้ทายังไงให้มันหาอยาก ก็ทานสิ่งภาวนาทําไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะอย่าค้ากําไรเกินควรเราฝึกให้เราเป็นนักคิดมากี่สิปีแล้วจะให้มันหยุดเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะมันง่ายเกินไปแค่ไม่ต้องคิดตามมันเท่านั้นเองถ้ามีทางเลือกอื่นก็ทําต่อไปนะมันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุมันไม่มีปฐมเหตุ มันจึงวัตะสองสารมันจึงเดินมีเหตุสาเหตุต้นเหตุแล้วก็มีเหตุสาเหตุของต้นเหตุนั้นอีกมันจึงเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนี่คือหลักปฏิจจสมุปบาท น, นะที่มาของความคิดคือตัณหาคือตัวสมูทยัยที่มาของตัณหาคือกิเลสที่มาของกิเลสคืออวิชชาความรู้ผิด หลักปฏิจจสมุทบาทอาวิชชาทําให้เกิดสังขารเห็นไหมสังขารเกิดวิญญาณอาวิชชาเนี่ยเขาแปลว่าคือความไม่รู้คือความโง่พ่อครูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ใช่ผิดนะแต่มันถูกครึ่งเดียวพ่อครูเคยถามครูบาอาจารย์ที่จบป ร, ริญญาเก้ามาที่นี่อวิชชาไปว่าความไม่รู้ไม่รู้อะไรท่านบอกว่าไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจสมุทบาทไม่รู้กฎแห่งกรรมแล้วท่านรู้หรือเปล่าจบป ร, ริญญาเก้าแล้วรู้แล้วทําไมไม่พ้นทุกข์ ไม่ใช่รู้อย่างนั้นต้องทําให้มันเห็นแล้วทําให้มันเข้าถึงนะทีนี้เอาวิชาถ้าจะพูดใกล้เคียงนะภาษาบาคูเอาเป็นมาตรฐานบตรฐานไม่ได้ไม่ต้องจับถูกจับผิดภาษาเราหรอกมันไม่มีถูกไม่มีผิดแหละมันก็สื่อได้แค่นี้เอาวิชามันคือความรู้ผิดไม่ได้แปลว่าไม่รู้ทาสานมันไม่รู้ว่ารถเบนซ์คืออะไรมันจึงไม่คิดอยากได้รถเบนซ์ มันถึงไม่ต้องทุกข์ไนกระเสือกกระสนแต่เรารู้ว่ารถเบนซ์มันดีกว่ายศโตโยต้าแล้วก็หาเงินไปไปออกรถเบนซ์มาแล้วก็หาเงินผ่อนเป็นไปแล้วก็ดีใจแต่เป็นภาระให้เราหนักนี่คือความรู้ผิดไม่ใช่เราไม่รู้นะทีนี้มันก็ไล่ไปไงอ่าพอเรามีความรู้ผิดใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดสังขารแล้วก็คิดคิดตามความรู้ผิดเรา นะแล้ก็อยากได้อยากสําเร็จนะพอเราคิดปุ๊บสังขารเกิดวิญญาณเกิดเลยวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่เกิดมาไปทําเลยไปสร้างกรรมเพื่อเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมันมันเรียงกันเป็นแบบนี้นะสิขั้นตอนปฏิสมบูรบาทรเราอ่านหนังสือออกเขาไปอ่านได้อันนี้พูดเข้าๆรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะบางทีรู้หมดเลยไงรู้หมดเลยกระบวนการปฏิสมบูรบาตรเป็นอย่างนี้รเรียกศัตว์สีเป็นอย่างนี้กดแห่งกรรมอย่างนี้ ก็ยังทะเลาะ ก, กันอยู่คุณรู้แต่คุณไม่ทำให้มันเห็นมันเห็นแล้วคุณไม่ทำให้มันบนรรลุคุณก็วางไม่ลงเนาะทีนี้พบชาตินะอุปท า, านทาให้เกิดอวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปเกิดทำให้เกิดสลาญตนะนะ ทำให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดพบเกิดชาติชรามรณะนะอันนี้ปฏิสบุบตบาทแบ่งเป็นสองช่วงนะสมัยอาจารย์พุท ธ, ธาทาสเขียนเรื่องนี้มาเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่ชุดหนึ่งโจมตีใหญ่เลยเพราะท่านพูดเรื่องปฏิสบุบตบาทในเชิงวิปัสสนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันขณะจิตเดียวนี่สิองขั้นตอนนีนเกิดขึ้นพร้อมกันไม่เกี่ยวกับคําว่าพบชาติในที่นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิด แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าขนาจิตเดียวที่คุณสร้างกรรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟันเฟืองก็ขับเคลื่อนไอ้วัดตาสงสารปัิจจุบายก็ขับเคลื่อนภพชาติที่เป็นเวียนว่ายตายเกิดด้วยแต่พบในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมพบคือกรรมมพบการกระทําซึ่งมีเจตนาซึ่งเป็นเจตนาของกุศลและอกุศลที่ทําให้เกิดวิบากกรรมนะ ไปเกิดในการมาพบรูปประพบและอรูปภระพบอันนี้เป็นปฏิสบุตบาทในเชิงวัตตาสงสารส่วนปฏิสบุตบาทที่อาจารย์พุทธะแสดงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของวิปัสนาเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวนะทีนี้พบทำให้เกิดชาติชาติคือความเกิดความเป็นไปสร้างอัตตาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ความปรากฏแห่งขันห้า ซึ่งเป็นผลของวิบากจิตแล้วมีขันห้ามาจากไหนอยู่ไหมเพราะวิบากกรรมเราทาให้เรามาเกิดในร่างนี้นะเขาแถมขันห้ามาด้วยอายตนาทั้งหจิตมันก็ไปหลงมันหลงมันหลงมันลงมันไปยึดมั่นถือมั่นสร้างอัตตาขึ้นมาเห็นคำว่าว่างเนี่ยว่างวางอู้ว่างๆๆงว่างมันเป็นสภาว่างเฉยเฉยมันเป็นธรรมลมอย่างหนึ่ง ว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรมันว่างจากอะไรว่างนี่คือว่างจากความมีแล้วก็มีขันห้าแต่เราว่างจากความหลงมันความยึดมั่นถือมัน่นอันนี้ถึงว่างจริงๆไม่ใช่อารมณ์ว่างๆอันนั้นเป็นแค่ทำอารมณ์นะเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปของมันแล้วเนี่ยนะอันนี้รู้เฉยๆนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้มันเห็นจริงแล้วมันก็ป่าประโยชน์มีแต่ขยะความรู้ เมื่อพบเห็นไมมันมีเจตนาทำอะไรเป็นพบมันก็เกิดชาติละมเกิดเป็นวิบากกรรมเป็นชาติแล้วก็ชรลามรณะก็คือมันเป็นทุกขังนะในในปฏิส ม, มุติบาซึ่งเป็นซึ่งเป็นวิปัสนาลมเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับในหนึ่งวินาทีนั่นดหลคือปฏิส ม, มุติบาในเชิง วิปัสนาลุมะชะลามรณะคือความแก่ความตายอันเป็นผลของชาติตามความแปรปวนของรูปจิตเจตสิกอันไม่มีที่สิ้นสุดสมุดปฏิสมุิบาจึงเป็นธรรมที่ว่าด้วยความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกันไปตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตายและเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ ก็เป็นทุกข์อีกต่อไปไม่สิ้นสุดเกิดมาวันแรกก็แหกบากร้องล่ะเห็นไหมทุกข์เพราะเกิดที่เรียกว่าสังสารทุกข์หรือสังสารวัตรอันนี้เป็นปฏิสบุตรบาทในเชิงสังสารวัตรเวียนไหวตายเกิดแต่ปฏิสบุตรบาทที่อาจารย์บุท ธ, ธาท่านเน้นนั่นท่านเน้นเรื่องปฏิสบุติบาทข้างในจิตมันเกิดขึ้นภายในขณะจิตเดียวเกิดดับนั่นดับสิบสอขั้นตอนนั้นครบคร บ, ครบองละนะ ดังนั้นปฏิสบุตรบาทจึงมีความหมายถึงสภาพธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันและเป็นเหตุและเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นมานั้นสลับซับซ้อนมากและเข้าใจได้ยากนอกจากจะศึกษาจำไลย น, นะศึกษาให้ละเอียดโดยการปฏิบัติทางวิปัสสนาเท่านั้นเท่านั้น ไม่งนเราจะรู้ตัวหนังสือนั่นแหละเราเราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงนะเราต้องผ่านทางวิปัสนาเมื่อเราเห็นปิดปฏิสุบฎบาทในเชิงวิปัสนาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจวิปัสนาไอ้ปฏิสุบบาทในเชิงวัตตสงสารนะปฏิสุบบาทเป็นธรรมที่ทําให้เกิดสังสารวัฏวัตนะส่วนปฏิสุบฎบาทในภูมิของวิปัสนา จะไม่เกี่ยวกับการเกิดการตายธรรมดาสามัญเป็นเรื่องของรูปนามหรือรูปจิตเจตสิกทั้งสิ้นเป็นองค์ธรรมซึ่งเป็นปรมาตธรรมซึ่งประชุมพร้อมอาศัยความสามัคคีของปัจจัยทั้งหลายในขณะจิตเดียวเกิดดับไปจิตเดียวนะอันนี้ก็เป็นเชิงวิชาการนะ อวิชชาจึงเป็นต้นเหตุของความคิดดับความคิดก็ต้องดับที่อวิชชาโดยเข้าถึงวิชาวิชาคือตัวปัญญานะแต่ช่วงที่ยังเข้าไม่ถึงปัญญาที่แท้จริงก็ให้ใช้สติรู้เท่าทันกิเลสก่อนนะกิเลสก็พัฒนาไปสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนะก็ไม่ทุก ในเวลานั้นแต่ก็ยังไม่พ้นทุกเพราะคนซึ่งมีอวิชาก็ยังอยู่เราต้องระเบิดไอ้คนคนนี้ทิ้งซะนะคนที่มันไปหลงตัวรู้ผิดของตัวเองเนี่ยนะนะมันต้องเกิดวิปัญญาสูงสุดรู้ว่าต้นเหตุทั้งหมดคือมีตัวเรานะเราระเบิดมันทิ้งจิตเราเนี่ยมันก็ยังอยู่นะขัว้วมันเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตา ก็ก่อนจะจบก็มีคำพูดนิดๆหน่อยๆ น, นะอันนี้พ่อกูเห็นแล้วว่าเออเขาเขียนสวยงามแล้วก็เอามาพูดให้ฟังหยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตทุกความคิดคือการสร้างชาติภพไม่มีเราเขาก็ว่างเพราะมีเราเข้าไปขวางว่างไม่ได้ไม่มีเราทุกอย่างก็ว่างเปล่าตะทะตา จิตที่ชอบคิดคือจิตปรุงแต่งนะตอนนี้เราปรุงแต่งแล้วละ่ะไม่ต้องไปโทษใครก็ฟังพุทธเจ้าให้เราขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะพระองค์ไม่ได้พูดลอยๆพระองค์ก็มีเครื่องมือให้เราด้วยว่าทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสโอเคนะคืนนี้ก็กินเวลาพวกเราหน่อยหนึ่งอย่างน้นอยๆฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็ได้ฝึกขันติเนาะ